จเจริญพรทุกทุกท่านนะคราวก่อนใครมาฟังหลวงพ่อเทศบ้างยกมือหน่อยคนที่ฟังแล้วเอาไปทำมากหรอเปล่าใครที่คราก่อนมาฟังแต่ว่าไม่ได้เอาไปปฏิบัติยกมือหน่อยมีไหมไม่มีใครเหรอปฏิบัติทำไม่ได้ทำเพื่อใครทั้งสิ้นนะ กระทั่งไม่ได้ทาเพื่อหลวงพ่อไม่ได้ทำเพื่อใครเท่านั้นแหละปฏิบัติทำจริงๆเราทำเพื่อตัวของเราเองก่อนเราฝึกตัวเองให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพอเราเรียนรู้แล้วเราก็มีหน้าที่บอกต่อเรียกว่าฝึกตนเองดีแล้วก็ฝึกผู้อื่นต่อ ทำประโยชน์ของตนเองนะทำประโยชน์ของผู้อื่นเนะเราก็มุ่งมาตรงนี้ก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าถึงเนื้อหาของธรรมะจริงๆเนดะี๋ยบอกพวกเรานิดหนึ่งระหว่างฟังธรรมขอให้พวกเราตั้งใจฟังด้วยความเคารพในพระธรรมนะใครๆมีมือถือมีกล้องนะก็หยุดอย่าเพิ่งถ่าย เวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมเวลาฟังธรรมคือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าเราเกิดมีไทรรม์มชชีนย้อนไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเทศให้เราฟังนั้นเราก็ควักกล้องขึ้นมาควักมือถือมาทั้งอัดทั้งถ่ายนะท่านก็คงยอมแพ้เหมือนกันนะไปอยู่กับช้างดีกว่าอยู่กับลิงดีกว่า งั้ น, นเวลาฟังเทศเราอย่า ก, กวนสมาธิของคนอื่นหรอหยิบกล้องหยิบอะไรมาถ่ายมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ่ายรูปไปก็เท่านั้นเองเอาสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะ่ะเข้ามาสู่ใจให้ได้แล้าเข้ามาสู่ใจของเรานะเราชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นว่าชีวิตเราเนี่ยวกเราสังเกตไหมจิตของเราออกนอกแนละ้วเห็นไหม แค่มีคนมาทำตรงนี้นิดเดียดนไหมสมาธิของเราเสียแล้วเพราะเราต้องเรามาระวังนะเวลาฟังธรรมหรือเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อเนี่ยได้รับคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ท่านจริงจังมากเลยอย่างเราไปอยู่ตามวัดเนี่ยคนเขานั่งสมาธิอยู่เราเดินต่างยังไม่ได้เลยนะถูกดา่าครูบาอาจารย์ดุอะ บอกเกิดจิตเขาจะรวมจะบรรลุมรรคผลนิพพานขนาดนั้นนะเราไปทำค้าววอกแวกนะเราบาปมากเลยนะงั้นปีนี้เป็นอะไรนาะปีนี้คนที่นี่ชอบถ่ายรูปจังถ่ายเป็นระยะระยะนะหยุดได้แล้วเอาธรรมะเอาของจริงไม่เอาอะไรของปลอมดูรูปไปจะได้ประโยชน์อะไรเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจให้ได้ โอกาสที่จะได้ยินธรรมะจริงๆมีไม่มากหรอกนะในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งหลวงพ่อสอนลูกศิษย์นะหลวงพ่อโหดนะหลวงพ่อไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่โอ้โหไปเรื่อยๆหรอกเห็นหลวงพ่อยิ้มยิ้มทั้งวันนะแต่ดูสอนแบบไก่เคยหรู้จักไก่ป่าไหมไก่ป่านะเวลามันมีลูกเนะี้ลูกมันต้องรีบเดินให้เร็วที่สุด มันเวลาออกรูปมันบกไว้ตาไปไม้ออกเป็นตัวปุ๊บเนี่ยแม่ต้องพยายามสอนให้ลูกขึ้นต้นไม้ไก่เล็กๆนะเรานึกไม่ถึงนะมันขึ้นต้นไม้ได้ทีแรกแม่มันจะสอนให้ลูกมันกระโดดขึ้นหลังมันนะแม่มันให้ลูกขึ้นหลังไร แ, แม่ก็กระโดดขึ้นต้นไม้กลางวันก็พาลงมาหากินข้างล่างตามพื้นดิน พอตกเย็นตกค่ำนะเรียกลูกขึ้นต้นไม้วันแรกก็ให้ขึ้นหลังกระโดดขึ้นไปวันต่อมาไม่ให้ขึ้นแล้วมันจะไปอยู่กิ่งไม้ที่สูงสักเมตรหนึ่งแล้วก็ร้องเรียกลูกไก่ฝูงหนึ่งมีสักแปดตัวสิบตัวอนะไรนตัวที่เข้มแข็งก็กระโดดขึ้นไปได้ตัวที่ไม่เข้มแข็งขึ้นไม่ได้อีแม่มันจะเรียกอยู่เป็นชั่วโมงเลยแต่เรียกจนกระทั่งมืดพระที่ตกดินแล้ว แม่ไก่ก็จะทิ้งลูกไก่ตัวที่อ่อนแอมันจะพาลูกไก่ที่ขึ้นไปได้เม็ดหนึ่งเนี่ยกระโดดขึ้นกิ่งสูงขึ้นไปอีกวันต่อไปก็จะพาขึ้นกิ่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆให้บินสูงขึ้นสูงขึ้นแม่ไก่สอนลูกไก่แบบนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเช้มงวดจริงๆนะสอนเราแบบนั้นอย่างพวกเรามาเรียนทีหนึ่งมากๆท่านสอนให้ปฏิบัติ คนไหนปฏิบัติได้นะท่านก็ต่อยอดให้เราสูงขึ้นไปอีกคนไหนยังไม่ได้ท่านก็เชียร์เชียร์ให้ปฏิบัตินะปฏิบัตินะให้ใครยแม่ไก่เรียกลูกไก่กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาร้องเรียกเป็นชั่วโมงเลยเสียงแหบเสียงแห้งเมื่อลูกไก่ไม่ยอมโดดสุดท้ายแม่ไก่ก็จิงเพื่ออะไรแม่ไก่ต้องรักษาลูกไก่ส่วนที่แข็งแรงเอาไว้ ถ้าแม่ไก่โมโห่งลูกไก่อ่อนแอตัวสองตัวนะพาลูกไก่ทั้งหมดอยู่ที่พื้นดินตกกลางคืนตัวอื่นมาเอาไปกินหมดเลยพวกเราก็ต้องเป็นลูกไก่ที่แข็งแรงหน่อยนะหลวงพ่อสอนให้ภาวนาก็ภาวนานะสอนให้พวกเราถือศีลห้าตั้งใจถือศีลอย่าเป็นลูกไก่ที่ไม่รู้จักขึ้นต้นไม้นะอย่างน้อยต้องถือศีลห้าให้ได้ วันนี้ศีลยังขาดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะตั้งใจผู้พรุ่งนี้ต้องถือให้ได้ไม่ท้อถอยในการทำความดีทำความดีนะในเบื้องต้นมันทำยากเพราะว่าใจของเราเคยชั่วแต่ถ้าเราเคยฝึกนะเห็นไหมแค่เสียงเรือบินอนะจิตพวกเรายังไหลาตามไปเลย จับตั้งแต่ทางนี้นะไหลตามไปทางนู้นอย่างอ่อนหัดหน้าต้องรู้ตัวอย่างเป็นลูกไก่ที่ไม่แข็งแรงถ้าช้ากว่านี้นะกิเลสมันจะเอาเราไปกินเราจะตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสของมานเอาตัวไม่รอดจะจมอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นยันล่าวต้องตั้งใจก่อน ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองนะต้องตั้งใจก่อนว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นปฏิบัติส่งเดชไปวันวันหนึง่งไม่มีเป้าหมายมันอ่อนแอเกินไปเหมือนลูกไก่อย่างร้ยต้องขึ้นต้นไม้มีเป้าหมายพวกเราก็มีเป้าหมายของการปฏิบัติเราต้องพ้นทุกให้ได้นีบางคนเนี่ยอินทรีย์อ่อน ไม่รู้เลยว่าเราอยู่ในกองทุกข์ไม่รู้ว่าเราจมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเราคิดว่าทุกวันนี้เราก็มีความสุขอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องปฏิบัติเลยถ้าจิตใจถึงขนาดที่บอกว่าทุกวันนี้สบายแล้วไม่ต้องปฏิบัตินะนี่คือกลุ่มลูกไก่ที่หลวงพ่อทิ้งเพราะอะไรเพราะไม่คิดที่จะบินเลยไม่คิดที่จะช่วยตัวเองเลย ดังนั้นถ้าเรามามองชีวิตเราด้วยความไม่ประมาทเราลองดูนะถ้าเรายังเคยประมาทอยู่ยเรามาสำรวจชีวิตเราดูคนที่เรารู้จักตายไปกี่คนแนละ้วมีไหมใครที่รู้จักแล้วยังไม่เคยตายไม่มีคนตายเลยที่เรารู้จักมีไหมไม่มีหรอกนะอยู่มาจนป่านนี้นะถ้าเด็กเล็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นคนตายอา จ, จะเห็นแมวตายหมาตายอนะไร่ง ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเราเห็นคนลำบากยากจนนะเห็นคนทุกยากมากมายนะเราก็ไม่แน่ว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างทุกวันนี้เรามีกินมีใช้เศรษฐกิจเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะเราอาจจะยากจนลงก็ได้เคยสบายมันอาจจะไม่สบายตลอดก็ได้เคยมีความรักมีคนที่เรารัก ไม่แน่นะคราวนี้บางคนนะจิตก็ไหลตามเสียงเรบินบางคนกลัวจะไหลก็จ้องเอาไว้ก่อนน่าเอ็นดูนะอย่างน้อยก็เป็นลูกไก่ที่พยายามฝึกตัวเองนะน่าเอ็นดู อย่างเรามีคนรักอยู่นะไม่แน่ว่าเราจะอยู่กันได้นานแค่ไหนเราไม่เลิกรักเขาเขาก็อาจจะเลิกรักเราหรือรักกันอยู่ไม่เลิกเนี่แต่ตายจากเขามีในชีวิตนี้เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราประมาณไม่ได้หรอกจะมาคิดว่าทุกวันนี้สบายแล้วนะมันจะสบายตลอดชาติเป็นความคิดที่ไรเดียงสาที่สุดเลยนี่ถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้เราก็จะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเราก็ต้องพร้อมสิ่งที่เลวเกิดขึ้นก็ต้องพร้อมเหมือนกันบางคนสิ่งที่ดีไม่พร้อมนะไม่เคยคิดอยู่ๆรวยขึ้นมาเคยเจอไหมยากจนมันตลอดเลยนะไปถูกลอตเตอรี่หลังวันที่หนึ่งรวยขึ้นมารวยไม่เป็นอนะ ใช้เงินไม่กี่วัน้งหมดแลนะ้กลับไปจนเหมือนเดิมเพราะว่าฐานเคยเป็นอย่างนั้นเนะี่ยไม่พร้อมที่จะดนะีหรือเราไม่พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญสิ่งเลวร้ายในชีวิตปีนี้ใครจะรู้ไปตรวจร่างกายประจปีอาจจะเจอมะเร็งขั้นที่สี่ก็ไดนะ้เอาแน่ไม่ได้นน เ, เนี่ยคนเชียงใหม่เนี่ยหายใจคว่นพิษเข้าไปเยอะเลยนะสารพิษเข้าไปในตัวแยะเลย ชีวิตเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรู้เราจะยอมจมอยู่กับความไม่แน่นอนฝากชีวิตไปตามยาถากรรมนั่นไม่ใช่รูปพระพุทธเจ้าหรอกท่านสอนให้เราเตรียมพร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะเตรียมความพร้อมของตัวเองมาฝึกตัวเองฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้มันเข้มแข็งฝึกกายฝึกวาจาด้วยการหาดาักษาศีลอย วันหนึ่งมีเรื่องไม่ถูกใจเราจะได้ไม่พูดชั่วไม่ทําชั่วมาฝึกจิตฝึกใจการฝึกจิตฝึกใจมีสองส่วนอันหนึ่งฝึกจิตฝึกใจให้มันมีความสุขมีความสวบสบ้างคนในโลกรู้จักแต่ความสุขจากการวิ่งหาอารมณ์ภายนอกมีความสุขที่ได้เห็นอย่างนี้ได้กลิ่นอย่างนี้ได้รสอย่างนี้ได้สัมผัสอย่างนี้ได้อยู่กับคนอย่างนี้ถ้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็มีความทุกข์ นี่มันหมกมด่นออกไปนะมันหลงออกไปเรามาฝึกจิตฝึกใจนะให้มันมีความสุขอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ใช่มีความสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาความสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นมันไม่แน่นอนคนอื่นอาจจะเปลี่ยนหรือสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดกระทั่งชีวิตร่างกายนี้ เ อ, เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้มันมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่มีความสุขเพราะต้องเห็นรูปอย่างนี้ต้องได้ยินเสียงอย่างนี้ต้องได้กลิ่นอย่างนี้ต้องได้รสอย่างนี้ได้สัมผัสอย่างนี้ได้อยู่กับคนคนนี้วิธีที่จะฝึกให้จิตใจมันมีความสุขอยู่ในตัวเองนั้นมันไม่ยากอะไรหรอกธรรมชาติของจิตนะถ้ามันมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยมันมีความสุขอยู่ในตัวของมันเอง จิที <rando. S 1> ่เป <moi> ็นผู้รู้มันจะเป็นผู้ตื่นมันจะเป็นผู้เบิกบานโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นวิธีสําหรับคนที่ทําชาญไม่ได้ถ้าคนทําชาญได้ก็เข้าชาญความสุขในชานนี่เป็นความสุขที่หยาดเยิ้มถ้าเคยเข้ามาเราจะรู้ความสุขในชาญเป็นความสุขที่หยาดเยิ้มะเทียบกับความสุขจากการที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความสุขในชาญเป็นความสุขของเด็ก เด็กเล่นดินเด็กเล่นทรายเด็กเลือ เ, อเือนมีความสุขมันก็มีความสุขเหมือนกันมีสุขอย่างเด็กๆ เ, เด็กนั่งแท้ไอติมไปมีความสุขความสุขของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเปความสุขของผู้ใหญ่รู้เนะื้อรู้ตัวไม่หลงมองโลกอย่างที่โลกเป็นได้นี่เรามาฝึกตัวเองให้เรามีความสุขอยู่ในตัวเองด้วยการฝึกจิตฝึกใจให้เกิดสมาธิ ถ้าทําชาญได้ก็ทนะําะถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อวานหลวงพ่อไปเทศ ท, ที่เชียงรายไปเจอเนเนเนนเป็นคนลาวนะอายุสิบห้าปีเนเนนี่ไปเรียนที่สวนสันติธรรมที่วัดหลวงพ่อเมืองชนนะ่ะเรียนไปเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเขานั่งสมาธิรู้ลมหายใจลมหายใจนะค่อยละเอียดละเอียดละเอียดเยยดข้าไปลมหายใจหยุดนะกลายเป็นแสง ก็รู้ที่แสงเ ข, เขารู้ที่แสงแล้วร่างกายนี้หายไปโลกนี้หายไปเหลือจิตตัวเดียวจิตน่ะเด่นดวงมีความสุขมหาศาลเลยพอออกจากสมาธิมาก็เห็นว่ากายกับจิตน่ะคนละอนกันเพราะเมื่อกี้ร่างกายมันหายไปแล้วตอนนี้มีร่างกายขึ้นมามนก็รู้ว่ากายไม่ใช่จิตหรอกขันนั้นแย่งอัตโนมัติเลยะอันนี้คนเขาทําสมาธิได้ลึก กาทำสมาธิลึกจนถึงถาดร่างกายหายไปเลยนะเหลือแต่จิตอันเดียวมีความสุขอันมหาศาลความสุขอย่างที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นความสุขที่ต่ำต้อยมากความสุขที่มีแฟนสวยนยีเราเพราะว่าสุขแล้วนะไปเจอความสุขของสมาธิเข้าโอ้ยคนละชั้นเลยหลวงพ่อจะสอนพระนะครับพระต้องหัดทำสมาธินะ พระไม่มีการมาสุขอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากได้อะไรเขาไม่ค่อยจะได้ไม่มีความสุขแต่ถ้าทำสมาธิได้มันมีความสุขมีฌานสุขไม่ใช่กรรมมาสุขมันฌานมาสุขนี่ถ้าพวกเราทำได้ก็ทำทาไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจการที่จะฝึกจิตจนกระทั่งเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนล้ ว, วโลกก็ท่าดับเลยฝึกกันหลายชาติไม่ใช่ฝึกหลายปีนะฝึกหลายชาติ ถ้าเรายัางทําไม่ได้ก็อย่าทอ้อใจเราก็ทําทสมาธิที่ง่ายๆกว่านั้นหัดรู้เนื้อรู้ตัวไว้นะเรบินมาทดสอบอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูออกไหมพอได้ยินเสียงระบินเราทําอะไรบ้างบนะางคนต้อหลง หลงพ่อให้ตัวอะไรว่าหลงหลงหลงฉิดใหญ่งงงงไม่รู้ว่ากําลังงงนี่เรียกว่าหลงนะถ้างงรู้ว่างงเนี่ยถือว่ารู้งั้นถ้าเราเข้าฌันไม่ได้นะอย่างนั้าทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแบ่งเวลาไว้ทุกวันต้องทําในรูปแบบอย่างน้อยสิบห้านาทีไม่ขอมากหรอกให้พวกเราทํามากพวกเราก็จะไปนั่งเพ่งเนาหรือไม่ก็นั่งหลับไปเลย ทำงานเหนื่อยๆให้ไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับหลับได้ชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาก็บอกวันนี้จิตรวมไปชั่วโมงป้านั่งหลับนั่งหลับกับจิตรวมนะคนละเรื่องกันนะไม่ได้เหมือนกันเลยนั่งหลับหมามันก็หลับเป็นแมวมันก็หลับเป็นนะแต่เข้าฌานได้เนี่เดี๋ยวาานมันทําไม่ได้ะคนละเรื่องกันไม่เหมือนกันนี่นเราเบี่ยงไปต้องไม่ต้องไปทํานานวันหนึ่งสักสิบห้านาทีก็พอ ไห้พระสวดนต์นิดหน่อยแล้วทํากรรมฐานที่เราคุ้นเคยสักอย่างหนึ่งเคยทําพุทโธเราก็ใช้พุทโธเคยดูท้องพองยุบเราก็รู้พองยุบไปเคยรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจเคยรู้อิริยาบถสียืนเดินนั่งนอนเราก็รู้อิริยาบถสีเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทํากรรมฐานนั้นนแหละแต่ปรับมิธีทําให้ดีเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติทํากรรมฐานผิดคือไปเท่งใสอารมณ์กรรมฐาน เช่นพุทโธพุทโธก็ไปจ้องอยู่ที่พุทโธไม่ให้จิตชิดเรื่องอื่นเลยบังคับจิตให้นิ่งอยู่ในพุทโธรู้ลมหายใจก็ไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจให้จิตนิ่งอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวดูท้องฟองยกก็ไปจ้องท้องให้จิตนิ่งอยู่ที่ท้องอย่างเดียวเดินจงกรมก็ยเพ่งร่างกายบมงคนก็เพ่งเฉพาะเท้ายกเท้าย่างเท้าจ้องอยู่ที่เท้าให้จิตนิ่งอยู่ที่เท้าสมาธิอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อสติปัญญาอะไรหรอก นะเป็นสมาธิที่เพ่งเอาไว้เฉยๆเราปรับสนิดหนึ่งบทเรียนของสมาธิพระพุทธเจ้าท่านใช้คาว่าจิตศึกขาเมื่อเราอย่าทิ้งจิตทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปนะจิตหลงไปคิดก็รู้จิตรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่ก็รู้จิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเบาๆก็รู้จิตหนักๆก็รู้เนะรู้สิ่งเหล่านี้หัดรู้บ่อยๆนะ อย่างเราพุพ้ตโต้ฟุ้โตไปหรือเราหายใจไปเนี่ยไม่ใช่มุ่งไปที่ความสงบถ้าหายใจแล้วมุ่งที่ความสงบจิตจะไม่สงบหรอกแต่ถ้าหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตนะหายใจไปแล้วเนี่ยเออจิตฟุงฟ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านเดี๋ยวเดียวก็สงบถ้าจงใจให้สงบจะไม่สงบนะแต่ถ้าเราทํากรรมฐานแล้วเรารู้ทันจิตไปจิตฟุงฟ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านแป๊บเดียวก็สงบละ เมื่อไรเรารู้ทันว่าฟุ้งซ่านเมื่อนั้นจิตจะไม่ฟุ้งซ่านรู้จักฟุ้งซ่านไหมใครฟุ้งซ่านเป็นยกมือซิมีไหมหลวงพ่อจะดูคนที่ไม่ยกมันหน้าตาไม่เป็นอย่างนั้นเลยหน้าตาฟุ้งซ่านเก่งนะฟุ้งซ่านก็คือใจมันลอยใจมันหนีไปงั้นเวลาเราทํากรรมฐานเนะี่ยอย่าไปบังคับให้รู้สึกตัวตลอดเวลา ถ้าหายใจก็พยายามรู้สึกตัวตลอดเวลาจะเครียดจิตจะไม่สงบถ้าเครียดแล้วจิตไม่สงบสมาธินี่เกิดจากความสุขแล้นทำแล้วสบายๆมีความสุขหลวงพ่อ ถ, ถึงบอกว่ายิ้มหวานๆก่อนยิ้มอย่างสดชื่นยิ้มออกมาจากภายในสดชื่นแล้วอยากรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่มีความสุขถ้าใจเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทัน ใจฟุง้งซ่านไปก็รู้ทันใจสงบอยู่ก็รู้ทันเดี๋ยวค่อยรู้ทันใจไปในสุดจิตมันจะสงบเข้ามานะแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ <c oughs> เรือบินนี้มันดีนะมันเป็นบทเรียนภาพปฏิบัติ <c oughs> อย่างเนี้ยเราได้ยินเสียงสังเกตแม้ทีใจเราวิ่งตามเสียงเสียงอยู่ทางนี้ใจเราก็ไหลไปทางนี้นะเดือบินมันเลื่อนมาจิตเราก็เลื่อนตามมันไปเลื่อนตามไปไม่ห้ามแต่ให้รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปะรู้บ่อยๆทํากรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะาไม่นานหรอก จิตเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตโดยนี้นจะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานในตัวของตัวเองความเบิกบานความสุขที่เกิดขึ้นนี้เป็นความสุขของความสงบความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่ความสุขจากการหลงโลกกระดิกระดาไปไม่ใช่การความสุขแบบเข้าฌานหยาดเยิมเคลือบเคลิมลืมเนือ้อลืมตัวความสุขของคนเข้าฌานคล้ายค้ายความสุขของคนติดยาดเสพติด งั้นอย่างมีความสุขในฌานนั้นจะติดนนชอบไม่อยากปฏิบัติอย่างอื่นแล้วอยากสงบแต่ความสุขที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นความสุขที่เป็นตัวของตัวเองสมาที่อย่างนี้พวกเราฝึกได้ไม่ยากนะใช้เวลาวันหนึ่งสัก15นาทีพุทธไปหายใจไปอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตจิตฟุ้งซ่านจิตไหลไปก็รู้จิตสงบก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตหนักก็รู้จิตเบาก็รู้รู้มันอย่างนี้ จิตนี้ค่อตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาในะจอยู่อยู่กับเนืกัตัวชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนด้วยการที่เรามีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเราเคยอยู่กับโลกเหมือนอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานมีความสุขด้วยการได้ดูได้ฟังได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสในพวกนี้ความสุขที่สัตว์เดรัจฉานก็มี เราจะมามีความสุขอีกแบบหนึ่งนะความสุขของความรู้เนื้อรู้ตัวชีวิตมันเปลี่ยนอย่างมากเลยแล้วเรารู้เลยโลกข้างนอกนี่มันของชั่วคราวเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะสมมติว่าคนที่เรารักคือพ่อแม่เราตายเนะี่ยใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ใจมันไม่ทุกนะใจมันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะใจมันจะไม่มีความทุกข์บมันสบายมันสงบมันสบายเป็นตัวของตัวเอง ไม่เลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวฝึกตัวนี้ให้ได้ก็วิเศษนักหนาแล้ะนั้นสมถะนะถ้าเราทําเป็นนะเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่บังคับให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่รู้ทันเวลามันเป็นผู้หลงหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งหลงวิ่งไปวิ่งมาเราเป็นผู้รู้นะพอเรารู้ทันว่ามันหลงตัวหลงมันก็ดับเกิดตัวรู้ ตอนที่เราหลงไปมันก็เหมือนเราอยู่ในโลกของความฝันเราเป็นผู้หลับผู้ฝันเนี่ถเรารู้ทันขึ้นมาจิตมันก็จะเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเราเคยจมกับอารมณ์ถูกอารมณ์เบี่ยงอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเบี่ยงเราไปเบี่ยงเรามาจิตจะถอนตัวเป็นอิสระขึ้นมาในระดับหนึ่งมีความสุขในความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเนี่ยจิตชีพมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เ บ, บิกบานแล้วมันมีความสุขที่มากมาย อย่างพวกเราที่เรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อนะบางคนจะสังเกตมาเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีความสุขผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะใครจําตรงนี้ได้บ้างนะสมัยแรกๆนึกออกไหมมีความสุขผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเรื่อยความสุขขออะไรไม่ได้ทําอะไรซะหน่อยทำไมความสุขผุดขึ้นมานั่นแหละความสุขที่เป็นจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ่หนละแต่ว่าความสุขอย่างนั้นนะมันยังไม่ประณีต ถ้าเราพอนามมากขึ้นมากขึ้นนะมันจะเป็นอุเบกขามากขึ้นมันจะไม่ได้ความสุขแบบนั้นหรอกความสุขอย่างนั้นไม่ค่อยมีหรอกแตได้ความสุขที่ว่าวิเศษแล้วนะก็อย่างได้อยู่เนี่ยมันมีของดีของวิเศษเป็นลําดับลําดับขึ้นไปอีกเหมือนเนี่ยหลวงพ่อสอนนะเหมือนชี้กิ่งไม้ให้ดูนะมีกิ่งไม้ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะงั้นถ้าใครฟังหลวงพ่อสอนลางทียังงงที่เมื่อก่อนทําไมสอนอย่างนี้ตอนนี้ทําไมสอนอย่างนี้ไม่เหมือนกัน เราชี้จริงไหมคนละจริงแล้วละ่ะไม่นคนละพวกเวลาในคนฟังคนละคนบางคนนี่ชี้จะถึงยอดอยู่แล้วถึงขั้นที่เห็นใจรักของรูปนามจนจิตเป็นองเบกขาแล้วดังนั้นสุดจิตของการปฏิบัตินะเห็นไหมจิตเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้หลงพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บจิตก็เริ่มเคลื่อนไหวหางานทำํำให้รู้ทันว่าเขาทํางาน เขาจะหยุดทำแล้วกลายเป็นผู้รู้ทำได้อย่างนี้ชีวิตก็เปลี่ยนแต่ยังเปลี่ยนไม่มากมันมีความเปลี่ยนแปลงที่อัศจรรย์กว่านั้นอีกนะอย่างถ้าเราทำกรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตลงไปฟุ้งไปรู้ทันเลเนี่ยได้ผู้รู้ชีวิตเราเปลี่ยนนะมีความสุขมีความสงบอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเมื่อจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆนะจะต้องเจริญปัญญา การเจริญปัญญาก็คือพาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยให้มาเรียนรู้ความจริงของชีวิตของรูปนามของกายของใจนี้ถ้ารู้ตัวอยู่เฉยๆก็ได้ส่งสมาธิอยู่เฉยๆตายไปอย่างเก่งก็ไปโป็นมรลกได้แค่นั้นเองไม่ไปนิพพานหรอกก็ต้องเดินต่อด้วยการจเจริญปัญญาเราได้สมาธิแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขแล้ว เราใช้จิตที่เป็นผู้รู้นี่แหละมารู้อะไรมารู้ความจริงของรูปของนามวิธีรู้ความจริงของรูปของนามพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนะอย่างเราเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ดูกายดูกายในกายหายใจออกร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ไม่ใช่ไปเจาะลมหายใจนะ ถ้าจ้างลมหายใจจะเป็เพ่งลมใจสุดท้ายลมจะกลายเป็นแสงจากแสงนะจิตเคล้าอยู่กับแสงจะเกิดปฏิภาคนิมิตสุดท้ายเข้าฌานเราเปลี่ยนใหม่เห็นร่างกายหายใจท่านบอกว่าที่สุทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจออกยาว ร่างกายนี้หายใจออกยาวเพราะงั้นรู้อะไรรู้ว่าร่างกายหายใจออกยาวร่างกายหายใจเข้ายาวรู้ว่าร่างกายหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจออกสั้นรู้ว่าร่างกายหายใจออกสั้นเนี่ยร่างกายหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นร่างกายเป็นคนหายใจแล้วใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราฝึกเอาไว้นั่นแหละเป็นคนรู้ ร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้รู้อะไรรู้ว่าร่างกายหายใจออกรู้ว่าร่างกายหายใจเข้ารู้ว่าร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตรงที่เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ามันก็คือเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายตรงที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายไม่ใช่จิตหรอกงั้นร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้มันไม่ใช่ตัวเรา นะอะไรที่ถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้ขวดใช่ไหมพวกเราเห็นขวดไหมขวดเป็นสิ่งที่พวกเรามารู้เขา้าเราไปเห็นมันเรารู้ถึงความมีอยู่ของขวดโดยอาศัยการรู้ทางตาเรียกว่าอาศัยจักรภูวิญญาณจิตจกักรภูวิญญาณจิตเนี่ยเห็นรูปเห็นสีอย่างนี้เป็นรูปร่างอย่างนี้ต่อมาจิตมันก็เริ่มแปรจิตดวงใหม่นะแปรนี่ขวดน้าเนี่ย จะแพรแต่ไม่มีใครเห็นว่าขวดเป็นตัวเราหรอกใครเห็นอย่างนั้นรีบไปหาจิตแพทย์ด่วนเลยนะงั้นที่หลวงพ่อสอนที่ให้เรามีผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยนะต่อไปพอเรามีผู้รู้แล้วนะไม่ว่ามันจะไปรู้อะไรเนะยมันจะย่างซึ้งลงไปว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะเห็นอัตโนมัติเลยไม่ใช่เราหรอกมันเป็นของที่ถูกรู้นะมันละเอียดเข้ามาเรื่อยๆนะทีแรกเราเห็นขวดน้าเห็นขวดน้าอยู่ขวดน้าไม่ใช่เรา มันถูกรู้ต่อมาเนี่ยมันวันหนึ่งนะเกิดขยับมือหรือแปลงฟันอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตมันเห็นรูปที่เคลื่อนไหวมันจะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้อีกมันก็จะเห็นว่าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกไม่ใช่ตัวเราพอ ค, ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้มันก็เห็นว่าโลภตัวหลงไม่ใช่เราอีก เนะนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยนะจะเห็นอะไรถูกรู้ไอ้นั่นก็ไม่ใช่เราฝึกมากๆเข้าถ้าเราถนัดรู้กายนะใช้กายเป็นหลักใช้กายเป็นฐานนะใช้กายเป็นเครื่องอยู่ของจิตก็ดูกายบ่อยๆร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดิน น, นั่งนอนจิตเป็นคนดูร่างกายเยคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เรา ok. และจิตที่เป็นคนดูเนี่ย ถ้าดูให้ดีก็จะเห็นว่าเราสั่งมันไม่ได้หรอกบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นนะจิตนี้เป็นของสั่งไม่ได้มันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเนี่ยดูลงมานะร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราอีกแล้วเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้รู้อยู่ที่กายห้าพาไปคิดเรื่องอื่นซะสั่งให้รู้อยู่ที่กายเรือบินมานูน่นหนีตามเรือบินไปแล้วนะใจง่ายนะ ได้ยินเสียงนิ้เดียวนีตามเลยนะใจเรานี่ตามเข้าไปเลย น, ะนี่หัดดูนะถ้าถนัดดูกายเราใช้กายเป็นฐานเป็นวิหารธรรมก็เห็นว่ากายมันแสดงอยู่กายเป็นผู้แสดงจิตเป็นผู้ดูร่างกายไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราถ้าถนัดรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกันะเรียกว่าเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็เห็นว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นตัวที่แสดงอยู่เดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันเฉยจิตเป็นคนดูตัวละครคือเวทนาเียถ้ากายานุปัสสนาก็คือตัวละครคือร่างกายเป็นผู้แสดงจิตเป็นคนดูเวทนานุปัสสนาเนี่ยความสุขทุกข์เป็นผู้แสดงจิตเป็นคนดูส่วนจิตตานุปัสสนาเนี่ยกุศลนกุศลเป็นผู้แสดงจิตเป็นคนดูเช่นเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธเดี๋ยวจิตก็โกรธจิตก็ไม่โกรธ ใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละดุขรักภิกษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตมันมีราคาแสดงว่าราคะมันไม่ใช่จิตแต่จิตมันมีราคะาราคากับจิตมันคุ้นละอันกลนคําพูดแต่ละคําที่ท่านสอนน่ะสำคัญนะเราอย่ามั่วดุขรักภิกษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคานั่นราคาไม่ใช่จิตแต่จิตมันมีราคาขึ้นมา เหมือนพวกเราเนี่ยมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ใช่ตัวเรานี่นี่ราคานี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวที่แสดงขึ้นมาราคาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตเป็นคนดูที่กรรมฐานที่หลวงพ่อสอนพวกเราว่ า, วาเวลาเจริญปัญญาต้องแยกธาตุแยกขันนะขันมีห้าขันนะแต่เวลาแยกจริงอ่ะได้สองขันก็พอแล้ว แต่ในสองขันเนี่ยขันหนึ่งเป็นผู้ดูขันหนึ่งเป็นผู้แสดงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้นะมีจิตที่เป็นผู้รู้ส่วนผู้แสดงอาจจะเป็นร่างกายก็ได้เป็นความสุขทุกข์ก็ได้เป็นความดีความชั่วที่แสดงขึ้นมาก็ได้แล้วถ้าละเอียดเข้าไปอีกมันจะเห็นว่าจิตเองก็แ ป, ปรปลุนแสดงได้เหมือนกันแต่ดูยากอย่าเพิ่งดูจิตโดยตรงนะถ้าอยู่ๆจงใจจะไปดูจิตแล้วก็มันจะนิ่งมันจะว่างไปเลย หลวงปูดูลบอกใช้จิตสแสวงหาจิตใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอได่ไหมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราดูอะไรดูร่างกายมันทำงานจิตเป็นแค่ผู้ดูเห็นกายไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูเราก็สั่งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็ไม่รู้เราดูเวทนาเป็นผู้แสดงมาเล่นละครให้เราดูจิตเป็นคนดูเราก็เห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงนะไม่ใช่เรา จิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเป็นผู้คิดไปก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันนั้นไม่ใช่ต้องรู้ตัวยี่ิบสีชั่วโมงนะตัวรู้เี่ยก็ต้องไม่รักษาให้ตัวรู้ได้เกิดดับได้เป็นผู้รู้บ้างผู้หลงบ้างนั่นแหละดีดีกว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ตลอดปีนะถ้าเป็นผู้รู้ผู้รู้ตลอดปีจะติดชานเพราะจิตที่เกิดซ้ำซากได้ยาวนานขนาดนั้นมีแต่ชานจิต จิต ท, ที่สรงฌานนะจะเกิดซ้ำๆๆๆรู้เด่นดวงอยู่กันตลอดชาติเลยตลอดปีเลยเี้ยเอาแค่ว่ารู้ตัวขึ้นมาเดี๋ยวเผลอรู้แล้วเผลอเราก็จะเห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่เชี่ยมเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวหลงถ้าจะเป็นตัวรู้ก็สั่งไม่ได้จะเป็นตัวหลงก็ห้ามมันไม่ได้ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเนี่ยคือหลักของการที่เราจะเจริญปัญญานะเรามาฝึก เบื้องต้นฝึกเจอกระทั่งเราได้จิตที่เป็นตัวรู้ก่อนเมื่อจิตเป็นตัวรู้แล้วเราดูละครพาจิตตัวนี้ไปดูละครละครคือร่างกายร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้อย่าไปดูแต่ลมหายใจนะพวกที่บอกทําอาณาปนานสติส่วนใหญ่ไปเพ่งลมสลภงพอตอนเด็กก็ทําอย่างนั้นนะไปเพ่งลมมันเป็นอาณาปนาสตินะแต่ว่าน้อมไปสู่สมถะอีกชนิดนึงสงบ สงบอย่างเดียวเลยจะเข้าฌานแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเนี่ยมันจะต่อยอดเข้าไปสู่การแยกขันคือระจิตเป็นคนดูเนี่ยขันหนึ่งร่างกายเป็นรู ป, ปรขันอยี่อีกส่วนหนึ่งจะแยกขันได้นะแล้วก็จะเกิดปัญญาเห็นว่ารู ป, ปรขันคือกายนี้ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูนี้ไม่ใช่เราปัญญามันเกิดตรงที่เห็นใจรักของรูปของนามมันอยู่ตรงนี้ งั้นเวลารู้ลมหายใจอย่าไปรู้แค่ลมหายใจให้รู้ว่าร่างกายหายใจพิสูจน์ทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกใช่ไหมใครหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้ารู้สึกสบายสบายนะถ้าไปจ้องใส่ลมเนี่ยจิตมันจะบีบตัวลงมันจะบีมลงมานะมาจับอยู่ที่ลมลมเคลื่อนขึๆๆ้นเคลื่อนลม จ้องอย่างนี้ถ้าจ้องอย่างนี้จะได้สมถะเฉยๆจะไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้หรอกยกเว้นยงเว้นจ้องไปเรื่อยนะเจนกระทั่งลมขึ้นมาอยู่ที่จมูกลมดับลมดับแล้วกลายเป็นแสงแสงนี้ย่อได้ขยายได้เป็นปฏิภาคนิมิตนะตอนที่เรารู้ลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตลมหายใจเป็นบริกรรมนิมิตตอนที่เกิดเป็นแสงเรียกว่าอุขานิมิตตอนที่เราย่อได้ขยายได้เรียกว่าปฏิภาคนิมิต จิตมันจะเคล้าเคลียมันจะจับอยู่ที่แสงจิตทีจต่จับอยู่กับแสบงเรียกว่าวิตกจิตที่เค้าเคลียอยู่กับแสงโดยที่ไม่ได้ไปไหนนะเคล้าเคลียอย่างสบายใจอยู่กับแสงเรียกว่าวิจารณ์จิตจะเกิดปีตีเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งไม่หนีไปไหนเลยจะเข้าปฐมฌานนี่เมื่อเข้าปฐมฌานแล้วเนี่ยจิตที่มีความแก่กล้าในการเจริญปัญญามันจะเห็นอีกว่าขณะนี้จิตได้เคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่าง พอรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปอยู่แสงสว่างนะมันจะทิ้งแสงสว่างจิตจะย้อนเข้าหาจิตนะเรียกว่าวิตกวิจารนั้นดับไปนะจะเกิดปีติมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่ที่จิตนราะในฌานที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นเข้ามาถึงจิตอย่างแท้จริงแล้วตัวนี้แหละคือตัวเดียวที่พวกเราฝึกนะแต่ของเราฝึกเราได้คณิกะสมาธินะถ้าฝึกเป็นรูปแบบเนี่ยเขาได้ถึงอัปนาสมาธิ จิตจะตั้งมั่นเป็นตัวรู้เด่นดวงอยู่ในชั้นที่สองขึ้นไปนะชั้นที่หนึ่งเนี่ยจิตยังไม่เป็นตัวรู้เพราะอะไรเพราะมันเคลื่อนไปอยู่ที่แสงในชั้นที่สองเนี่ยจิตมันรู้ถันแล้วว่ามันเคลื่อนที่แสงมันทิ้งแสงมันกลับมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่จิตที่สรงชั้นอย่างเนี้ยเมื่ออกอกจากชา้นมาแล้วนะมันจะมีแรงมากมีกําลังมากมันจะสามารถตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้อยู่ได้นาน ยิ่งถ้าคนไหนทําฌานลึกเข้าไปจนทั่งร่างกายหายไปโลกธาตุดับไปเหลือแต่จิตดวงเดียวพอจิตเคลื่อนออกจากฌานชั้นสูงนะตั้งแต่ฌานที่สี่ขึ้นไปนะียถ้าจิตเคลื่อนออกจากตรงนี้มาแล้วเนะี่ยมีร่างกายขึ้นมาจิตจะรู้ทันทีเลยว่ากายนี้ไม่ใช่จิตกายกับจิตนี่คนละอ่านกันและนับแต่นั้นนะจิตกับกายนี่จะแยกออกจากกันจะแยกขันคือแยกกายกับจิตได้เด็ดขาดเลยของเราแยกบ้างรวมบ้าง แล้วกำลังของเราไม่พอนะเราใช้คณิกะสมาธิจิตหลงล้วรู้จิตหลงล้วรูเราซ้อมอย่างนี้พุโทโธพุโทโธจิตหลงแล้วรู้ก็ได้รู้เพิ่มขึ้นรู้เพิ่มขึ้นนะในสุดเราก็ได้ความรู้ตัวขึ้นมาบางทีเผลอเมื่อไหร่จิตหมดสมาธิเมื่อไหร่นะกายกับจิตก็มาเป็นก้อนเดียวกันนะกลับมารวมกันใหม่จะไม่เหมือนคนที่เข้าถึงฌานที่โลกกาะทา ด, ดับร่างกายดับนะพวกนี้จะเห็นได้ว่ากายกับจิตนะั้ขาดจากกันเป็นโคโลนกัน เราไม่ต้องอิจฉาเขาเขาทำมาหลายชาติแล้วเขาถึงทำอย่างนั้นเราสมาีิน้อยเราก็ใช้หลักที่หลวงพ่อสอนนี่แหละจิตเครื่อเรารูเครื่อเรารูนะในสุดจิตเราก็เป็นผู้รู้พอจิตเป็นผู้รู้แล้วเราใช้จิตที่เป็นผู้รู้นี่แหละมาเห็นเห็นร่างกายนะเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เห็นความดีความชั่วมันเกิดดับให้ดู เห็นชํานี้ชํานาญขึ้นนะต่อไปมันจะเห็นทั้งรูปเห็นทั้งน้ําะมเห็นขันเห็นขันห้าเรารู้การทํางานด้วยบางทีมก็รู้ชัดื่อทีมมันก็มัวมันก็เห็นอีกโอ้มันมัวเพราะนิวรณ์มเกิดขึ้นสมาธิมันตกจิตไม่ได้เป็นผู้รู้แล้วสมาธิมันตกนิวรนี่เองเป็นตัวที่ทําให้สมาธิเสื่อมเมื่อมีนิวรณ์เรก็ไม่สามารถเดินปัญญาได้ก็จะรู้อีกว่า นิวร์เกิดขึ้นก็รู้ทันนิวรณ์ตั้งอยู่ก็รู้ทันนิวร์ดับไปก็รู้ทันนะนิวร์เกิดเพราะอะไรการมาฉันทะนิวร์เนี่ยเกิดเพราะอะไรนะเกิดเพราะใจเราเนี่ยไปมองสิ่งต่างๆในแง่สวยงามในแง่มันดีน่าชอบการมมาฉันทะมันก็เกิดพยาบาทเกิดจากอะไรเกิดจากใจเราไปมองสิ่งต่างๆแต่มองในมุมของความไม่ดีมองในมุมที่ไม่น่าพอใจนะเนะ มันกเกิดเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นนะเราจะเห็นว่ากระทั่งนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเหตุให้เกิดนะแล้รู้ด้วยว่าทำไงไม่เกิดนะเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นการที่เดินเข้าไปสู่ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนะมันจะปานีดมากในยธรรมานุปัสนาเนี่ยมันไม่ใช่รู้สภาวะเกิดดับตื้นๆอย่างนี้มันรู้เหตุรู้ผลด้วยนะเช่นรู้นิวรณนะ์นี่ยไม่ใช่รู้ว่านิวรณ์เกิดนิวรณ์ดับหรอกมารู้เหตุของนิวรณ์ด้วยนะรู้ ผนของนิมนต์ด้วยรู้ว่าทำไงนิมร์ไม่เกิดหรือไม่ใช่แม่รู้แค่ร่างกายกับจิตไม่ใช่รู้แค่เวทนากับจิตแต่มันเห็นขันห้าทั้งหมดเลยนะรู้ขันหนะ้าเห็นขันห้ามีอยู่เห็นขันห้าแปรปรวนไปเห็นขันห้ามีเหตุให้เกิดนะเห็นขันห้าดับแต่ละตัวแต่ละตัวหรือเห็นโพดโชนะมีโพดโชว เกิดขึ้นเพราะอะไรพระชงไม่เกิดเพราะอะไรนะหัตถีแรกพระชงก็เกิดเรียงเป็นลําดับไปหัดไปหัดมาพรชงเจ็ดเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเองมจะเห็นหรือเห็นถึงอริยสัจนะถึงอริยสัจนะี่อยู่ในกลุ่มของธรรมานุปัสสนาหลวงพ่อพูดให้พวกเราฟังเผื่อไว้ก่อนตอนนี้บุญบา ร, รมีเราเนี่ยอย่ามาเริ่มต้นที่ธรรมานุปัสสนาเลยนะตายกล่าว นะเริ่มของง่ายก่อนดูกายเห็นกายทำงานใจเป็นคนดูดูความสุขทุกข์ใจเป็นคนดูนะดูคุณลอนคุศส น, สนที่เกิดขึ้นใจเป็นคนดูฝึก อ, อย่างนี้ก่อนฝึกจนแก่กล้าแล้วนะสุดท้ายทุกคนนะจะเข้าไปที่ธรรมานุปัสสนาจะเข้าไปสู่ตัวสุดท้ายของธรรมานุปัสสนาด้วยซ้าไปนะคือไปรู้แจ้งอริยสัจนะจะไปรู้อริยสัจงั้นะพวกเราอย่าใจร้อน คล้ายๆเราอย่างเรียนปฐมอยู่เลยนะยังไม่ต้องไปเรียนวิชาฟิสิกอะไรมากมายแบบมหาวิไลด็อกเตอร์อะไรงนเะ้ยเราไม่ต้องเรียนขนาดนั้นเราก็เรียนแบบที่เราทําได้เรายังเป็นลูกไก่ที่ไม่แข็งแรงเราขึ้นไม้จริงไม้เตี้ยๆก่อนแต่ต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นแม่ไก่เรียกนานๆไปเสียงแหบเสียงแห้งแม่ไก่ก็ต้องทิ้งนะเพื่อแม่ไก่จะพาลูกไก่ที่แข็งแรงเนี่ยเดินกจ้าวหน้าต่อไป โหดไหมเพราะพระพุทธเจ้างสอนอย่างนี้นะสอนอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านสอนพวกพุทธบริษัทเนี่ยผสอนยากโจมทั้งหลายหรือก็ตั้งสอนพระเนี่ยเหมือนคนฝึกมา้าม้าบางตัวเนี่ยว่าง่ายสอนง่ายให้กินอิ่มนอนหลับนะแล้วก็พามันวิ่งพามันซ้อมพามะไรมันก็ฝึกสําเร็จม้าบางตัวพยศมาก ต้ออดอาหารมันฝึกมันให้มันทรมานมันมากๆบังคับมันมากๆเชี่ยวเขีนมันมากๆทรมานมากๆมันถึงจะเชื่องถึงจะฝึกสําเร็จม้าบางตัวฝึกไม่ได้ม้าบางตัวฝึกไม่ได้ท่านจะฆ่าทิ้งเสีย อ, อันนี้ท่านสอนนักฝึกมานะ้ามีนักฝึกม้าคนหนึ่งไปถามพุทธเจ้าว่าเนี่ยฆ่าพระองค์ฝึกม้าม้ามีหลายจำพวกเนะี่ยถามว่าพระองค์ฝึกคนยังไงพระเจ้าเลยถามแล้ว เธอฝึกม้าแบบไหนล่ะบอกม้าตัวไหนว่าง่ายนะเชื่องก็พามันฝึกเลยให้มันกินให้มันในพักผ่อนสบายฝึกไปสบายสบายบางตัวมันดื้อต้องทรมานมันให้มันเหนื่อยให้มันกลัวทรมานมันเพื่อฝึกมันได้ตัวไหนที่มันฝึกไม่ได้ค่าพระองคมก็ค่าทิ้งค่าทิ้งคือไม่เลี้ยงมันแล้วเสียหญ้าอุษขาหายาให้กินนะฝึกอะไรก็ไม่ได้ พระเจ้าก็บอกว่าเราก็ฝึกคนนะฝึกสาวกของเราแบบที่เธอฝึกม้านี่แหละตัวไหนฝึกว่าง่ายสอนง่ายนะก็สอนนุ่มนวลตัวไหนมันดื้อนะจิตมันดื้อมากก็โขกสับทรมานมันแกล้งมันนะทีเหมือนจะแกล้งเลยนะสอนสอนไปแหมให้ยิ้มหวานจวบโครมเลยนะมีเหมือนกันยังมีคนหนึ่งนะประเภทคุณหญิงคุณนาย ไปบอกท่านเจ้าคุณอุบาลีวัดบรมนิวาสท่านเคยเป็นเจ้าวัดวัดอะไรวัดเจดีหลวงวนี่คุออุบาลีเนี่ยคุณหญิงคุณนายไปบอกท่านบอกดิฉันเนี่ยได้ภาวนามานานแล้วดิฉันไม่มีความโกรธแล้วเคยจะอวดว่าเป็นพระอนาคาท่านมองหน้าปุ๊บอีตอแหลพูดประโยคเดียวเลยโอ้พระอนาคาเลือดขึ้นหน้าถ้าอะไรปากจัดนะ ออกจากวัดเลยนะเดินตุบๆๆๆไปถึงหน้าวัดนึกอใต้ว่านี่โกรธ เ, เนี่ยเนี่ยประเภทม้าดือ้อเจอของแข็งถ้าม้านุ่มนวลก็ค่อยๆสอนค่อยๆสอนแต่ถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องฆ่าทิ้งวิธีฆ่าทิ้งของพระพุทธเจ้าคือไม่สอนวิธีฆ่าทิ้งของพระพุทธเจ้าคือไม่สอนงั้นอย่างพวกเรานะชมนมสารธรรมอะไรเนี่ยนักเผยแพร่ ก็ต้องรู้นะไม่ใช่เจอใครก็จะเผยแพร่แหลกลานนะบางคนเขาไม่เอาไม่เอาก็ปล่อยเขาไปอย่างนั้นเรียกว่าฆ่าทิ้งช่วยไม่ได้ก็ปล่อยไปงั้นพวกเราพยายามเป็นลูกไก่ที่เข้มแข็งหน่อยนะตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ได้เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลจากนั้นก็มาฝึกตัวเองถือศีลห้าเป็นพื้นฐานไว้มาฝึกจิตฝึกใจของตัวเอง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนเรารู้จิตก็ลื่อนรู้ในสุดจิตจะเป็นผู้รู้พอจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วมีความสุขก็อย่าเพลินอยู่ที่ความสุขตรงนี้มาดูกายดูเวทนาดูจิตมันทํางานไปเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูอะไรเนี้ยหรือเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูนะความสุขความทุกข์ดับไปจิตเป็นคนดู เห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นกุศลอกุศลดับไปจิตเป็นคนดูมีจิตเป็นคนดูนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดร่างกายที่จิตไปรู้ก็ไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้ร่างกายก็ไม่ใช่เราเราสั่งมันไม่ได้ความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจก็ไม่ใช่เราเราสั่งมันไม่ได้จิตที่ไปรู้สุขทุกข์ก็สั่งไม่ได้กุศลอกุศลนะเราก็สั่งมันไม่ได้สั่งจะว่าไม่โกรธมันก็โกรดได้ สั่งว่าจะไม่รักก็รักได้เนี่ยสั่งว่าจะไม่ชี้งอนก็งอนได้บางคนตั้งใจต่อไปนี้จะไม่งอนนะแล้วเดี๋ยวก็งอนนะเนี่ยจิตมันสั่งอะไรจริงๆไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วก็แปรปรวนตลอดจิตใจมันคุ้มดีคุ้มร้ายคำดีดีนะคุ้มดีคุ้มร้ายระเดี๋ยวก็ดีปเดีย๋ยกร้ายของพวกเราเองนหละไม่ใช่ใครที่ไหนเราพวกคนคุ้มดีคุ้มร้ายทั้งหลายเนนะี่ยเนี่เราเห็นทูกเห็นโทษนะเราก็มาฝึก ร่างกายถูกรู้ไม่ใช่เราจิตที่รู้กายไม่ใช่เราเวทนาที่เกิดในกายเกิดในจิตที่ไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้เวทนาก็ไม่ใช่เรากุศลอกุศลเกิดที่จิตก็ไม่ใช่เรานะจิตที่ไปรู้กุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราจิตมีราคะราคะกับจิตโคลนจิตมันมีราคะเหมือนเรามีเสื้อเสื้อกับร่างกายเนี่โคลนกันเห็นไหราคะกับจิตโคลน ราคาก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้จิตเองก็สั่งม่าอย่ารักมันยังรักเลยเนี่ยสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ไม่ใช่เราเหมือนกันเรียนไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันปิ๊งขึ้นมานะถึงจุดหนึ่งมันปิ๊งของมันเองนะมันรู้ความจริงเลยว่าไม่มีอะไรเป็นเราสักที่เดียวเลยร่างกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรานะกุศลอกุศลไม่ใช่เราความจําได้หมายรู้ก็ไม่ใช่เราบางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้นะ ตัวจิตเองที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่เรานะสั่งอะไรมันไม่ได้สักอย่างเรือบินไม่มานานแล้วเห็นไหมถ้าได้บินมามันจะไปตามเห็นไหมเรือบินจิตวิ่งตามเรือบินนะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เห็นไหยเรือห้ามไม่ได้เรือบินมาจิตก็วิ่งไปทางนี้เรือบินไปทางนี้จิตก็ตามไปเนะีนะ่ยห้ามมันได้ไหมเสียงอยู่ทางนี้เอาจิตไว้ข้งนี้ พอเราบินไปทางนี้เอาจิตมาไว้ที่นี้ไม่นานโรคจิตจะกินะจิตจะประหลาดเกินไปฝนะึกนะฝึกเข้าแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองได้จิตจะเป็นผู้รู้แล้วไปรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปถึงวันหนึ่งเห็นแล้วตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ใครแก่ใครเจ็บใครตายร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายใครมันสุขใครมันทุกข์ เวทนามันสุขเวทนามันทุกข์ไม่ใช่เราสุขเราทุกข์นะนันไม่มีเราจิตจะเป็นตัวรู้ก็ไม่ใช่เราอีกอะไรๆก็ไม่ใช่เราไม่มีเราเลยความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์การกระทำกรรมยังมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำกรรมนะเห็นแต่ขันห้ามันทำงานของมันไปร่างกายกระทำกรรมได้ไหมร่างกายเคลื่อนไหวได้นะ แต่จะเป็นกรรมหรือไม่อยู่ที่จิตมีเจตนาพาร่างกายไปทำกรรมเรื่องกายกรรมกายกรรมจริงๆก็คือจิตมันสั่งให้ทำลำทางร่างกายมันทำกรรมไม่ได้หรอกว่าจีกรรมหรอใครสั่งให้พูดจิตเที่สั่งให้พูดใช่ไหมถ้าจิตไม่สั่งให้พูดมันไม่พูดหรอกอย่างโกรธขึ้นมานะเราว่าจะไม่ว่าเขานะพามันโกรธขึ้นมานะจิตสั่งให้ดา่ามด่าเลยกายกรรมว่าจีกรรมอะไรนะี้มันมาจากจิตทั้งนั้นนะ ถ้าเราเรียนรู้นะเรียนรู้เข้าไปทั้จิตก็ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนะถึงจุดหนึ่งก็ปล่อยวางเหมือนกันแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งปล่อยอย่ารีบปล่อยตัวผู้รู้นะต้องฝึกให้ได้ตัวผู้รู้แล้วเอาตัวผู้รู้นี้ไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจรู้ความจริงถ่องแท้แล้วเวลาวางค่อยวางเป็นลาดับไปมันจะวางรูปก่อนนะวางกายก่อน ต่อไปไม่ไวางความรู้สึกหยาบหยาออกไปตัวที่วางยากที่สุดคือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละวางยากที่สุดหลวงปู่ ด, ดูนถึงสอนหลวงพ่อบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตชิงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่ว่าการจะทำลายจิตได้ก็คือมีปัญญาเห็นความจริงของจิตแทงทะลุลงไปในจิตว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็มันจะปล่อยวางจิตได้ตัอ้งออกตั้งใจเลนะ ไปฟังซีดีฟังยูทู e ที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ไปฟังเพลงก็ไปฟังที่หลวงพ่อเทศเทศไว้มันยากเหมือนกันยากเหมือนกันทำไมต้องยากเพราะว่าเนี่ยลูกไก่จะต้องโดดขึ้นกิ่งไม้มันก็ยากเหมือนกันนะต้องพยายามนะทีแรกก็จะมีลูกไก่เยอะนะล้อนออกไปนอกวัดแต่มามันจะเรือลูกไก่ที่แกล่งจริงๆนะจำนวนน้อยคนซึ่ง ที่ว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยมีจํานวนมากแต่ที่เป็นชาวพุทธจริงๆมีจํานวนน้อยชาวพุทธที่มีศีลธรรมยิ่งมีจํานวนน้อยหนักเขึ้นอีกนะถือศีลห้าได้ชาวพุทธที่คิดเรื่องการปฏิบัติอยากปฏิบัติยิ่งน้อยหนักขึ้นอีกชาวพุทธที่ลงมือปฏิบัติถูกนะที่ปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัติยิ่งน้อยหนักเขึ้นอีกแล้วที่ปฏิบัติถูกจนกระทั่งได้มรรคผลนิพพานเหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นไม่ใช <cession> ่เรื่องแปลกคนจํานวนน้อยหรอกที่จะรับ พระพุทธศาสนาไว้ได้คําว่ารับไม่ได้หมายถึงรับเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดานะเปลี่ยนโคตรเนี่ยเปลี่ยนโคตรไปสู่โคตรพระอริยะนะเปลี่ยนตระกูลจากพุทธชนเป็นพระอริยะจะมีไม่มากนักหรอกตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะเหมือนอย่างตอนอุปติสะอุปติสะตอนลังไปบวชเป็นพระสาริบุตรอุปติสสะเนี่ย เศรษปริพาชกนะอยู่กับอาจารย์สันชัยพอได้ยินธรรมะของพระสิชีแล้วได้โสดาก็เลยไปชวนอาจารย์สัญชัยมาให้ไปหาพระพุทธเจ้าด้วยกันอาจารย์สันชัยไม่ยอมไปเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วจะให้ไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนะี่ยจนไม่ได้ไม่ยอมไปอุปตริสาเป็นผู้มีกระตันอยู่นะพยายามชวนแล้วชวนอีกอาจารย์สันชัยก็ไม่ยอมไปในส่วนอาจารย์สันชัยเนี่ยก็ฉลาดลูกศิษย์เสาสีมาก แกก็ถามอุปติสสะว่าอุปติสสะในโลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดมีมากกว่ากันอุปติสสะก็บอกว่าคนโง่มีมากคนฉลาดมีน้อยเนะี่ยอาจารย์สันชัยก็บอกว่าคนโง่จํานวนมากจะมาเป็นลูกศิษย์เราคนฉลาดจํานวนน้อยจะไปเป็นลูกศิษย์พระสมณโขดมเพราะงั้นเธอจะไปก็ไปเถอนะแล้วเธอเป็นพวกคนส่วนน้อยมันเก่งจริงๆนะอาจารย์สันชัยนะมันไม่ใช่โง่นะ ด, ด, ด้วยคนส่วนน้อยมาแต่ยุคโน้นแล้วนคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้จริงๆคือไอ้ลูกไก่ที่สามารถขึ้นถึงยอดไม้แล้วก็บินโผล่ไปได้เป็น 10-10 เม10ตรน่ะมีไม่กี่ตัวหรอกนะมันต้องใจแข็งจริงๆแต่ชาตินี้นะถ้าไม่ได้พระละหันก็ไม่เป็นไรหรอกนะอย่างน้อยโสดาให้ได้ถ้าเราตั้งใจจริงรักษาศีลห้าทุกวันฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะสังเกตจิตใจของตนเองไป ฟุ้ง่นเรารู้ฟุ้งซ่นเราู้ก็ได้สมาธิแล้วก็ดูรูปตัวนํามทางานไปจิตเป็นคนดูไปฝึกนะอย่างนี้แหลถึงวันหนึ่งอินทรีย์เราแก่กร้าก็จะได้มรรคได้ผลมันไม่ได้ยากเกินไปมันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินวิสัยของคนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราดีอยู่แล้วจมอยู่กับชีวิตอย่างนี้ก็พอใจแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะใครต้องการอย่างไ น, นก็ปล่อยไปไม่ว่าหรอกนะ อนมโมทนาด้วยว่าเธอทําบุญมาดีนะเธอสร้างบารมีมามากเธอคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเธอคงไม่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเธอคงไม่ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักเธอปรารถนาสิ่งใดคงได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบอกไม่มีจริงหรอกในโลกมันไม่มีหรอกนะไม่มีจริงหรอกคนมันยังหลงอ่ะยังหลงมันยังมันอยู่กับโลกไมว่าอะไรเขาเขาก็ดีของเขานะก็ช่างเขาเถิดเราคนส่วนน้อยนี่แหละนะ พยามเรียนที่หลวงพ่อสอนนะคําสอนของหลวงพ่อเนะี่ยรับรองเจอทุกคราวยากทุกคราวฟังแล้วง่ายแต่ลงมือจริงอะยากเพราะอะไรเครื่องบินนะจะหรือจรวดนะีจะออกจากโลกใช้พลังงานเยอะนะจะหนีจากแรงดึงดูดของกิเลสนะี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องเด็ดเดี่ยวพอหัดใหม่ๆหลวงพ่อจะโอนะเฮ้ยง่ายไม่มีอะไรหรอกดูจิต ด, ดูใจไปหลวงพ่อหลอกเด็ก นะพอเด็กโตขึ้นมาแล้วคเนียเราจะสอนกรรมฐานที่จริงจังมากขึ้นแล้วนะนะสอนให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจเนี่ยนะฝึกของเราไปแล้วเราจะได้ของดีเราจะรู้ในความสุขในโลกนี้ไร้สาระความสุขในโลกคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขของสมาธิก็เหมือนความสุขของเด็กเหลือเพลิเลนเพลินความสุขของคนมีปัญญาเป็นความสุขของผู้ใหญ่ ในวัยทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตนะความสุขของมรรคผลนิพพานนี่คือความสุขของการสิ้นภาระนะยิ่งกว่าความสุขอย่าง อ, างอื่นอีกมันสิ้นภาระอย่างแท้จริงเลยสิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธสติปัญญาของเราแก่กล้าพอที่จะได้ยินธรรมะอย่างนี้ื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะแต่เกลีกตะกายไปวันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ตั้งใจปฏิบัติของเราไปกุศลอะไรยังไม่ได้ทาก็ทา อกูสอนอะไรยังไม่ละก็พยายามละสำรวจใจของเราไปแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นนะต่อไปเวลาเรามองชาวโลกเนี่ยเราจะไม่ได้มองแบบกูเก่งเหนือกว่าเขานะเราจะมองด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆเลย แต่ในเมตตานั้นเจืออุเบกขาอยู่เทียบพร้อมช่วยไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าเมตตาไม่เมตตาแต่เจือด้วยอุเบกขานะเธอทําทอย่างนี้ก็ยังดีอยู่นะอย่าทําชั่วมากนะก็แล้วกันทําชั่วนิดหน่อยถ้าไม่ไม่ไมไมทําได้เลยก็ดีที่สุดแหละค่อยๆประคบประงมไปอินทรีย์ร้อนพวกเราเนี่ยหลวงพ่อถือว่ามาฟังหลวงพ่อเทศน์หลายรอบแล้วนะอดทนฟังมาจนถึงวันนี้น่ะ ไม่ใช่ลูกไก่ธรรมดาละไม่ใช่ลูกไก่ที่จะถูกทิ้งง่ายๆนะงั้นต้องเข้มแข็งพัฒนาตัวเองให้ได้สู้ไหมต้องสู้ต้องสู้นะถ้าไม่สู้ก็คือปล่อยชีวิตจมอยู่กับความทุกข์นิรันดร์หน้าอเนกนานนะเห็นละสังเวชเห็นล้วสลดสังเวชแต่ต้องเบกขาคนในโลกเป็นแบบนั้นนะ่ะได้แค่นั้น ที่หลวงพ่อดูพวกเรานะีพวกเรารู้สึกไหมว่าที่เราฝึกกันมาเนะี่ยจิตใจเราสว่างสไยขึ้นรู้สึกไหมมันรู้เนะื้อรู้ตัวใจสว่างสไยมันรู้ตื่นเบิกบานจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบางคนแยกขันได้อย่างนี้แยกเกง่งนะแต่เลยพอชมดีเดียวเลยรวบเข้ามาแน่นปึ๊กไปเลยนะรักดีหามจัวจัวหนักนะนะเป็นคนดีจ้องเอาไว้หนักใช้ได้นะในภาพรวมถือว่าดี นี่หลวงพ่อตั้งใจเนี่มาเทียะทางไกลๆนั่งรบินเทียเนี่ยถึงปี2560 น, ะ, ะ, น, น ะ, ะเางะน่าจะเกษียณนะไม่จำเป็นต่อไปพวกเราก็ฟัง c ีดีเอาดู YouTube เอาหลวพ่อช่วยตัวเองได้ในสามปีเนี่ยหัดบินให้ได้นะหัดบินให้ขึ้นนะสปีหลวงพ่อจะช่วยแค่นี้ที่เหลือเราต้องบินเอง สู้นะน้าละพอสมควรแค่เวลาน้าละแบบฝึกหัดมาละค่ะ ข, ขอขอทุกท่านได้เป็นนมมือก้มการาบ ขอพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาได้แสดงธรรมให้เราได้เห็นถึงธรรมะแห่งพระพุทธองค์ซึ่งตั้งมั่นอยู่ 2,500 กว่าปีหน้าวันนี้ที่หลวงพ่อได้แสดงธรรมเท่ากับว่าได้รักษาพระสัทธรรมให้คงอยู่มาถึงปี 2,558 ขอกล้มกราบทุกคนขอกรอมกราบทดความขอพระคุณเจ้าค่ะ กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งล่าสุดที่เชียงรายอะค่ะบอกว่าเห็นก้อนๆที่อยู่ตรงกลางอกค่ะแล้วมันเห็นไม่ไหวค่ะหลวงพ่อบอกว่าสมาธิไม่พอให้ไปทําสมถะจากนั้นหนูก็เลยไปนั่งสมาธิค่ะก่อนนอนก็จากการนั่งสมาธิก็คือที่เห็นอยู่กลางอกเนี่ย มันมันเห็นได้เรื่อยๆบางทีมันก็หายหายไปแล้วก็มาอยู่ที่กายอะค่ะกายกระทบ พ, พื้นบางทีก็ดูจนกายมันหายไปอะค่ะแล้วก็เหลือแต่ตัวรู้อยู่ข้างบน่ยค่ะทำไมกายหายไปแล้วตัวรู้มันอยู่ข้างบนได้ละ่ะมันไม่มีกายแล้วทำไมไปอยู่ข้างบนมันมันไม่รู้สึกกายแต่มันรู้สึกว่าเรารู้สึกอะไรออสักอย่างอะค่ะ อ, อ, อันนั้นเราได้สมาธินะ เมื่อเราได้สมาธิแล้วเนี่ยกลับออกมามีร่างกายเราก็ดูกายนี้ไม่ใช่เรานะดูไปเรื่อยไม่ใช่เราไม่ใช่เราจะทำอะไรก็ดูไปมันไม่ใช่เรานะใช้คิดนำก่อนก็ได้เพราะว่าคนซึ่งจิตมีสมาธิมากจนระดับที่ร่างกายหายไปเนี่ยบางทีพอออกจากสมาธิแล้วมันไม่ยอมเดินปัญญาจิตมันสุดโต่งนะเวลาเดินปัญญาก็เดินทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ยอมเลิก นะพอเวลาไปทําสมาธิแล้ไปสงบว่างอยู่ก็จะไปว่างอยู่อีกไม่ยอมเดินปัญญานี่พอมันสงบแล้วว่างแล้วนะพอมันกลับมามีกายนีย่ให้ดูเลยกายนี้ไม่ใช่เราเนี่ยกายที่พยักหน้ากายที่หายใจกายที่ยืนเดินนั่งนอนนะดูอย่างนี้บ่อยๆจิตไม่เดินต่อไปได้การปฏิบัติเนี่ยมันก็คล้ายๆการขับรถบางครั้งก็เหยียบคันเร่งบางครั้งก็เหยียบเบรก เหยียบคันเร่งก็คือเจริญปัญญาไปเหยียบเบรกก็คือทําสมถะนะเจริญปัญญารวดไปเลยนะรถวิ่งเร็วไปอันตรายปัญญาล้ําไปหรือว่าทําสมถะนะขึ้นรถได้สตาร์ทรถเสร็จก็เหยียบเบรกอย่างเดียวเลยชาตินี้ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะงั้นเราก็ดูนะช่วงนี้ควรเจริญปัญญาแล้วก็ดูรูปนามเกิดดับไปถ้ามันไม่ยอมดูเราก็พิจารณาคิดพิจารณานํามัน นะถ้าช่วงนี้มันดูตลอดวันตลอดคืนก็เห็นเกิดดับจนมันทุกข์มันเครียดเต็มทีแล้วหยุดดูทําสมถนะถ้าเดินเนียอย่างนี้แหละค่ะอย่างระหว่างวันหนูก็จะดูถือถ้ามันมีให้เห็นตรงกลางก็คือจะดูไปแต่ถ้ามั น, มนไม่มีปกติจิตหนูเหมือนตอนนี้ไหมส่วนชั้นกลางวันส่วนใหญ่ก็จะประมาณประมาณ น, นี้เลยเหรอต้องแก้แล้วล่ะนะอย่างนี้จิตติดสมถนะ การน้ำมันสักการลงข้อค่ะคือลูกสงสัยว่าลูกทําสมาธิหรือว่าเดินปัญญากันแน่ก็คือลูกจะดูว่าร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงหายใจมันก็จะสั้นเข้าสั้นเข้ า, นานมันจะมีเวทนาตรงจิตขณะนี้เป็นยังไตงตอนนี้กดอยู่อะค่ะตเต้นเต้นสังเกตไหมว่ามันฟุน้งซ่านนะจินมันฟุ้งซ่านล้วไปกดมันค่ะปกติเป็นแบบนี้ไหม ปกติไม่เป็นแบบนี้ถ้าไม่เป็นก็ดีนะค่ะถ้าเป็นต้องแก้ค่ะถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรตอนนี้ตื่นเต้นมากตรงหัวใจมันเต้นแรงอะะมันไม่ใช่เรามันเต้นของมันเองเห็นหลค่ะเมื่อไหร่ดูอย่างนี้ยกายนี้ไม่ใช่เราหรอกหัวใจเต้นเองใจนี้ก็ห้ามไม่ได้ใจมันจะตื่นเต้นเพราะใจมันตื่นเต้นร่างกายก็พลอยหัวใจเต้นไปด้วยจะห้ามไม่ได้สักอย่างเดียวดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ เห็นกายนี้มันทํางานได้เองเห็นใจนี้มันทํางานได้เองแต่ถึงเวลาต้องทำสมถะบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวปัญญาล้ําไปเดี๋ยวฟุ้งคราวนี้ลูกไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกทําสมถะหูืว่าฟุ้งมากไปฟุงมากกว่าใช่ไหมเจ้าคะยังฟูงอยู่ถ้าอาการที่ว่าลูกเห็นว่าอดูว่าร่างกายหายใจเข้าหายใจออกแล้วพอลมมันสั้นเข้าเห็นเวทนาที่มันเกิดอยู่กลางอกเนี้ยมันดับไปอย่างเงี้ยให้รู้ทันว่าจิตขณะนั้นนะเคลื่อนไปดู จขนานั้นไม่ได้ตั้งมัน่นเป็นผู้ดูน ะ, ะแต่มันถลําลงไปดูให้รู้ตัวนี้แล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นก็ไม่เรียกว่ามีสมาธนะิมีสติไปรู้สภาวะทั้งหลายนะรู้หัวใจรู้ความรู้สึกแต่จิตไม่ตั้งมัน่นะแล้วให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปแล้วใช่ไหมกล้วมันเคลื่อนดย๋ยงเราดูเราหมายใจสิเนี่ ย, ยจิตเคลื่อนนะ เคลืนไปอยู่ที่ลมเหรอเจ้าค่ะเคลื่อนไปคิดมีความกังวลอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นแหละจิตมันเคลื่อนเคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมตอนนี้โล่มขึ้นนะเจ้านั่นแหละสมาธิจะเป็นอย่างนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขณะนี้ตึงเกินไปอีกแล้วนั่นเกินไปอีกแล้วเห็นไหมคือคือโดยปกติลูกจะเพ่งหรือเปล่าเจ้าค่ะฮะปัญหาของลูกคือ ปกติมันเพ่งหรือเปล่าจ๊ะคุณนับเพ่งเนี่ยนะพอเน่าเพ่งก็จะฟุงนะเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะงั้นจิตใจฟุงสั้นก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็คลายออกรู้ว่าเพ่งไม่หายหรอกต้องต้องจงใจลืมๆ ม, มันไปบ้างคือมันข้าเพ่งกับการปฏิบัติไปหรือเปล่าจ๊ะค่ะภาวนาะต้องทําสบายๆนะจ้ะค่ะไม่ทออทิ้งการปฏิบัติดูทั้งวันนะ่ะแต่ไม่ได้ดูแบบเอาเป็นเอาตายดู<ะ>อย่างนั้นเหนื่อย เจ้าค่ะแล้วครั้งที่แล้วที่ลูกส่งกันบ้างกับคุณมาเร่ว่าลูกติดสมถะมันเข้าไปติดตอนนี้มันออกมาแล้วหรือยังอะ่ <_ d ata> เะเจ้าคะลูกก็เลยไม่รู้สับสนว่าจริงจริงทำสมถะติดหรือว่ามันฟุ้งซ่านจำแนงตะนนี้มันฟุ <_ d ata> ้งแล้วเห็นไหมตอนที่พูดตะเก้ยบีกายลืมกายมีใจลืมใจนี่หลักลักษณะที่ฟุ้งอ่ะเจ้าคะอ่ะต่อไปกับนักการค่ารองพ่อ เออตอนนี้รูสึกตัวเยอะขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เคยให้กันบ้านว่าแต่ก่อนเนี้ยมันเฉยเฉยหลวงพ่อก็ว่าให้ไปดูจิตนะคะแล้วจะมีจะขอกันบ้านหลวงพ่อหอค่ะจิตฉนาย น, นี่เป็นปกติไหมไม่ปกติเท่าไหร่แล้วใช้ได้ครับ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ใช้ได้นะแค <c oughs> ่รู้อย่างนี้แหละค่ะ <c oughs> จิตฉนา น, นี้ถึงฐานไหมไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ ทเนี่ยจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเ อ, อเนี่ยรู้ทันมันจิตมันไหลไปพร็รู้สมาธิมันจะเกิดคือจะตั้งมั่งขึ้นจะ ต, ตั้งมั่งแล้วก็เห็นรูปเห็นนามทํางานให้จิตไหลไปมันก็ไม่ไม่ดูรูปนามและอ่ะไปให้คนอื่นบ้างค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วกันบ้านนะคะนี่ไงจะทำต่อไปสังเกตเอาสังเกตนะค่ะ หนูเดินจงกรมเจ้าขาแต่ทีนี้เดินเรารู้สึกว่าตัวเองเดินไม่ถูกอะค่ะบางทีมันไม่เห็นว่าจิตมันยินดีหรือยินได้ยอะค่ะถูกแล้วภาวนาใช้ได้ที่ภาวนาอยู่นะดีแล้วหนูทําถูกแล้วใช่ไหมถูกถูกเป๊ะ เ, เ, เลยมันมีคนหลายจำพวกนะพวกหนึ่งดีไม่รู้ว่าดีพวกหนึ่งดีแล้วรู้ว่าดีก็มีนะอย่างหนูเนี่ยดีแล้วถูกแล้วยังไม่รู้อีก嘛 มันดีอยู่แล้วล่ะรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาใจมันเป็นตัวของตัวเองเห็นไหมว่ากายกับใจก็คนละอันเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วปัจจัยก็คนละอันมันแยกกันไปหมดแล้วหน้าที่เราไม่มีอะไรหรอกหน้าที่เราก็ดูขันมันทํางานไปเรื่อยๆนะะถ้าจิตใจของเราเป็นแบบไหนเราก็รู้ถ้ามันไม่เห็นว่ายินดียินร้ายก็ไม่ต้องพยายามเห็นถ้าพยายามเห็นคืออยากเห็นให้รู้ว่ากําลังอยากอ ย, กอยู่นะ งั้นถ้าเห็นมันเห็นเองถ้ามันเคยได้ยินอะว่าให้รู้ทันยีดียิร้ายเนี่ยถึงเวลาพอสมควรแล้วมันจะเห็นเองงั้นหนูดูได้ถูกแล้วล่าเห็นไหมว่าชีวิตเราเปลี่ยนดูออกไหมค่ะครับกับนัิสการ์พาจางครับครับอ่าเราถวายการปฏิบัตินะครับคือมีขั้งหนึ่งเกิดเวทนาทางร่างกายขึ้นมานะครับ แล้วก็วันนั้นกันได้นั่งดูนะครับก็เห็นในตัวของเวทนานั้นอมันเป็นเป็นกองของมันกองหนึ่งแล้วก็ก็เห็นกายก็อีกกองหนึ่งแล้วก็แลเห็นตัวที่ดูอีกกองหนึ่งถูกก็ดูในสภาวะนั้นค่อนข้างนานพอสมควรนะครับแล้วจิตมันก็ไม่เข้าไปหมายไปให้ค่าในในสภาวะต่างๆนะครับเราจะขอว่าจะต้องปฏิบัติยังไงต่อไปครับ ทำถูกแล้วนะจิตออกนอกดูออกไหมครับนะอย่าไปดึงไว้อันนี้ไปรวบไวปอย่าไปดึงองอกไ้ด้วยออกนอกเรารู้นะกาปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกคือจิตมันถูกแล้วนะก็เห็นขันมันแยกขันมันแยกเราก็ดูขันมันทํางานไปแต่เวลาดูจิตไม่ได้ถลําลงไปดูนะอย่างนี้รุนแรงไปขณะนี้แรงไป รู้สึกไหมมันแน่นค่ะเอออย่างเงี้ ย, ยอันหนี้อันหนึ่งฉลาดต่อหน้าหลวงพ่อเท่านั้นคระเออถ้าอย่างนั้นใช้ได้แต่ใครๆนะแง่มาจากไหนนะเจียวหลวงพ่อก็แข็งทุกคนอะ่ะครับกงข อ, งของกันบ้านต่อนะครับทคุณที่ต้องระวังคือเรื่องปัญญานะปัญญามันแรงมากระวังปัญญามันล้าไปมันฉลาดไป พยายามรู้ซื่อๆรู้ง้องๆไปนะอย่าอย่าให้มันเกิดภาวะที่รู้นำนะดูไปสบายๆดูไปซื่อๆเพราะว่าเราฉลาดมากบางทีพอเราเห็นสภาวะมาแล้วเราเคยเห็นแล้วนะพอมันจะเริ่มเกิดเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้ารู้ว่ามันจะทำงานยังไงจะเป็นยังไงปัญหามันจะไปสูต่รตรงนั้นเพราะว่าปัญญานี่มันแก่ ก, กล้าปัญญามันกล้ามาก งั้นเราต้องให้ใจของเราเนี่ยได้เข้ามาพักเป็นช่วงๆนะให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าไปเดินปัญญารวดเดียวแล้วเวลาเดินปัญญาเนี่ยไม่ต้องชิดนำของคุณเนี่ยไม่ต้องชิดนําแล้วล่ะเพราะว่าปัญญามันแก่กล้าข้างหลงสิบแปข่นๆๆานนะให้งงๆไว้งองๆเช่นนี้งองไม่แค่เนี่ย เห็นในร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นร่างกายไป ย, ยักหน้าใจเป็นคนดูนะความสุขเกิดขึ้นใจเป็นแค่คนดูจะไม่มีการหมายอะไรล่วงหน้าเลยครับกรับนมืสการหลวงพ่อปางม้วนครับก็ต่อจากส่งเงินบ้านที่นี่เมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับก็ของผมที่ภาวนาก็คื อ, อ, อรู้สึกในกาย ร, รู้สึกในใจในชีวิตประจําวันไปนะครับแล้วก็ครับก็เวลาแป๊บนึง ดูออกไหมใจมันหนีไปแนละใจมันหนีนะเนีย่ยรู้ซื่อๆนะรู้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสบายๆรู้สบายๆอย่า ก, กลัวว่าจะไม่รู้นะอย่า ก, กลัวว่าไม่ต้องกลัวเลยแล้วอย่า ก, กลัวช้านะรู้สบายๆแล้วมันจะไปเร็วถ้าโจกใจมากแล้วมันจะหวางเราครับก็ ความรู้ในกายในใจไปนะครับก็พิจารณาไปด้วยดูตายรักไปด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนอื่นอื<ม>อย่างเงี้ยครับก็หลังจากวันที่ฟังธรรมที่นี่คืนนั้นนะครับก็ผมก็ฝันเนี่ยฝันเห็นกระถางผักบ่วงปลูกผักบุ้งถั ก, ก, ก, กาดอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอผมเป็นกระถางเอยืน<ม> เหมือนเป็นกระถางนะนะั้นน่ะรู้สึกว่าความรู้สึกว่าเป็นเราในกายในใจเนี่ยอันนไม่มีนะครับแล้วก็เอาความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมาพวาวนาได้ประมาณสองสามขณะอันนั้นใน้ฝันเะนีแล้วก็ต่ อ, ตอจากนั้นก็จะเห็นความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมันแน่นๆอยู่ ก, ก็ก็ดูตรงนั้นไปนนแล้วเขาก็คลายไปประมาณสองอาทิตย์เนะี่ยเขาเบาหลัลลงจากนั้นนะ ควาเป็นตัวตนยังอยู่นะครับยังอยู่ครับเอออย่างนี้หลวงพ่อก็เบาใจนะแล้ว เ, เ, เริ่มเิมเป็นห่วงแล้วมันจะจากหนักแล้วเห็นอยู่ครับว่ามีแต่มีเบาอยูอ่ใช้ได้อย่างนี้นับปฏิบัตนินําต้องฉลาดอย่างนี้แหละ <c oughs> คือรู้ทันจิตตัวเองจิตยังเป็นเราอยู่เราก็รู้ทันนะ <c oughs> ยังยังใช้ได้ อ, อแล้วก็ช่วงสองเดือนก่อนหน้านี้ก็มีงานทางโลกอะไรเข้ามาเยอะครับ เวลาพักผ่อนก็น้อยเวลาภาวนารู้สึกว่าน้อยลงครับผมก็พยายามปรับตะเกียกตะกายก็คือใส่สติเข้าไปในเวลาทํางานอะไรยิ่มากขึ้นอย่างเงี้ยก็คิดว่าจะไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าก็ดูแล้วจิตเขาก็พัฒนาของเขาได้ก็รู้สึกดีใจหนูครับที่จริงแล้วงานมากนะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกงานมากแล้วจิตใจเราทุรนทุราย เราก็รู้ว่าทุรนทุรายเลยครับจิตเรากังวลกลัวจะไม่ดีรู้ว่ากังวลเนี่ยเราไม่ได้เลิกปฏิบัติเลยใช่ครับจะได้ไดก็อาจจะประมาณอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาก็พลาดขันที่เขาแยกอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะแยกออกไปอีกนะครับแล้วก็เห็นเขาต่างคนต่างทํางานครับจากที่เคยคิดว่าอดูกายดูใจเนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มกลายเป็นคําว่า ดูรูปดูนามเขาทำงานแต่เวลาดูนะเราไม่ได้ให้มันห่างออกไปมากนะมันอยู่ด้วยกันอนะแต่มันคนละอันนะถ้าจิตมันส่งสมาธิบางแบบขึ้นมาส่งสมาธิให้มันมันจะนิ่งๆิ่งขึ้นมานะมันจะเห็นไอนน้พเนีเรื่อนๆห่างๆออกไปอันนี้เป็นผลจากจิตที่ไปติดสมาธิขึ้นมา <Okay. S 2> นะต้อาระวังตัวนี้นะ ช่วงนี้ผมมีสุนทรวัที่หลวงพ่อบอกผมก็พยายามกลับมาดูที่การเยอะๆเออถูกอย่าง น, นี้หลักแม่นใช้ได้ไม่งั้นอาจารย์จะลอยอยู่สลางอารอกกาศนะขันมันแยกไม่ด้อยู่นีก็<อ>ว่างโลกนี้ครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อชินในข้อผิดพลาดแล้วข้อควรระวังนะที่ คือคืออย่าไปกังวลนะว่างานมากภาวนาไม่ได้นะ<ฮ>เราก็ภาวนาเท่าที่ทําได้นะใจกังวลเรารู้ว่ากังวลนั่นก็คือภาวนาละหลวงพ่อก็ภาวนาสมัยเป็นครวญนั่นเละงานเยอะทํางานหนักงานเนียเต็มด้วยเรื่องดุเดือดเท่านั้นเลยลราก็ภาวนาจนได้เลยแล้วก็ดูเอาใจกังวลก็รู้ใจงงนะเรานึกว่าปฏิบัติเนี่ยใจต้องรู้ตัวใสปิงนะ ใจมันมัวไปหมดเลยใจไม่สว่างเลยใจงงไปหมดเลยแค่เรารู้ว่ามันมัวมันงงนะแค่นั้นก็ถูกแล้วพอใจมันเข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยจิตสว่างใจก็เป็นกลางนะจิตมัวใจก็เป็นกลางมันก็คืออันเดียวกันนั่นเองมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางในทุกสภาวะได้กำลังดูความเสื่อมความเจริญดูปัจจุบันต่นช่วงๆไปดูอย่างนั้นครับขอบพระคุณหลวพ่อครับ แล้มาสกการเจ้าคะ่ะเขาที่เราไปวัดแต่อยู่ไม่ครบพอดีมีเหตุต้องออกมาก่อนแล้วหลวงพ่อบอกกอ น, น, นหนูฟุ้งมากหลวงพ่อบอกให้หนูดูนมกับดูกายเย่างนี้ค่ะก็ก็กลับไปดูเนะะี้ค่ะกลับไปดูแล้วก็พอดีขึ้นแล้วล่ะค่ะใช้จิตมันอีกเครื่องอยู่นะค่ะอาศัยกายนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตหายใจไปจิตเป็นคนดูไปะแค่นี้มันก็บรรลุมากคผลได้นะค่ะ ก็คือช่วงนี้หนูตกงานใช่ไหมคะหนูก็อยู่บ้านแล้วก็หนูหนูหนชอบดูง่ายกว่าเวลาหนูทํานู่นทํานี่นยคะ่ะมัเรา<ะ>ทํางานบ้านไปนะบัดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยทํา ง, นงานเราเห็นร่างกายเป็นทงานใจเป็นคนดูนานๆคิดอะไรแว บ, บ่ขึ้นม า, ใ จ, านใจกังวลใจเขาเป็นคนดูเนี่ยดูอย่างนี้ ส่วนเรื่องการรักษาสีนหนูก็ตั้งแต่หนูเาเริ่มภาวนากับหลวงพ่อหนูก็มีตั้งใจแต่ว่าก็พลาดพลังบ้างนะคะแต่ก็ธรรมดาหรอกฆราวาสถือสีให้ร0อยซยากนะได้เท่าไหร่ก็เอาเอาเอหนูขอถวายไปเถอิบัติตให้มัน่หลวงพ่อไม่ได้ยินเออหนู หนูขอขอมาพรัดนาตรายหลวงพ่อแม่ชีแล้วก็ผู้สรงศีลถ้านหนูเคยประม า, าทพลาดปากขอไปอแล้วก็หนูขอปฏิบัติเป็นพุทธบูชาติสาธุสาธุดีจังต้องปฏิบัตินะชีวิตเราจะดีขึ้นอต่อไปโอ้คนนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วฟุ้งอันดับหนึ่งครั้งก่อนนนหลวงพ่อบอกว่าอยู่ โยมติดเพ่งมากนะคะให้ไปกวาดบ้านถูบ้านหนูก็ได้กวาดใหญ่เลยค่ะได้้างห้องน้ำเรอดีเรารู้สึกว่าเป็นคนปกติมากขึ้นช่ค่ะไปทํางานอีกนะค่ะเอย่าไปภาวนาหมกมุ่นนะค่ะเป็นคนธรรมดาค่ะแล้วปฏิบัติเน่ยไปชอบวาดภาพตัวเองว่าต้องทําอะไรที่ไม่เหมือนคนธรรมดาทั้งที่จริงเน่ยเป็นคนธรรมดาที่สุดนัะนภาวนาง่ายที่สุดหรืภาวนาดีขึ้นอะ ไปกวาดบ้านต่อไปหลวงพ่อเดี๋ยวได้กวาดเยอะมากกว่านี้ไม่เห็นเป็นไรเลยกวาดแล้วกวาดอีกหลวง่อดีขึ้นใช่ไหมคะหลวงพ่อเหรอหลวงพอเหมือนเดิ ม, มือนเอาค่ะไม่ค่ะหมายถึงโยมนะคะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเดี๋ยวที่ทําเอานะค่ะอดี๋ยอยากดีค่ะคิดว่าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเนี้เราพอใจแนละ้ว อย่างเราขวานบ้านถูบ้านเนี่ยเราเห็นร่างกายมัเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูแค่นี้เราก็พอใจแล้วแค่ต้องไปดิ้นรนเมื่อไหร่จะบรรลุอะไรเงี้ยอย่างนั้นจะทุกข์เปล่าค่ะยิ่งช้าแล้วเรื่องธรรมะไม่ค่อยไม่ค่อยขวนขวายไม่ค่อยตั้งใจมากนะคะแค่แบบปล่อยมันไปตามสบายๆเห็นสภาวะเกิดดับอยู่ต่อหน้าต่อตานั้นคือการปฏิบัติเต็มที่แล้วค่ะมากกว่านั้นก็ไม่ได้ละ และที่อยากรู้ธรรมะมากๆอะไรอย่างนี้นมันก็ <úng> ไม่ขวนขวายแล้วค่ะไม่เอาแล้วฟงสาัานอย่างนั้นค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะไปอยู่กับปัจจุบันไปนะเห็นกายเห็นใจทำงานต่อไปขอบพระคุณ กราบนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งแรกครับฟังธรรมะของหลวงพ่อมานานครับผมก็ปฏิบัติไปบ้างเพอ่บ้างไปตลอดครับแต่ว่ามีสิ่งที่เคยเกิดเนี่ยอยากรายงานหลวงพ่อเพื่อรับคําแนะนําครับผมเคยเห็นอาการอยากดูที่จิตมันแวบขึ้นมาแล้วก็ทําให้หน้าเราจะหันไปดูเราพอไม่ดูมันกลับเสร็จแล้วมันก็อยากดูอีกนะครับแล้วก็ ก็เลยได้เห็นเหมือนกับว่าจิตที่มันคุมกายให้กายทำงานครับ อ, อันที่สองก็คือผมเคยเห็นอาการว่างถ้ามีสติเนี่ยมีความรู้สึกว่ า, าการว่างมันอยู่ไกลๆพอเผลอสติปุ๊บมันพิ่งเข้ามาฮุบเราเลยครับอันที่สามเนี่ยมีครั้งหนึ่งผมกาลังเดินจงกรมอยู่เสร็จแล้วมีเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นได้เห็นเหมือนกับจิตผมเป็นก้อนดา พุ่งออกไปเพื่อจะไปเสร็จแล้วผมก็บอกไหมมันก็กลับมาเสร็จแล้วมันก็พุ่งไปอีกแล้วผมไหมมันก็กลับมาเห็นสงอเที่ยวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ได้เห็นอาการที่ผมอยากรู้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนสงสัยตลอดว่าการปฏิบัติของกับผมเนี่ยถูกผิดหรืออะไรต่างๆจะมีแต่ความสงสัยเมื่อวานถึงเมื่อคืนเนี่ยได้เห็นอาการอยากรู้ที่มันลอยอยู่ในอกครับผมก็จ กับเรียนเราทำงานครับจะ ร, รู้ไปสบายๆนะเราไม่เข้าไปแทรกแซงอย่างจิตไหลไปเรารู้ว่าไหลเราไม่ดึงคืนถ้าดึงคืนมันจะแน่นนะครเรารู้สบายๆไอ้ที่จิตไหลไปนะจิตดวงนั้นมันได้ดับไปแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเป็นจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ไหลไปนะเพรานั้นเราไม่ต้องไปดึงคืนมามีชีวิตอยู่กับต่หน้าต่อตาอยู่กับปัจจุบันดูไปสบายๆ ดูกายดยใจไปนี้แะอย่าเข้าไปแทรกแซงก็แล้วกันครับหลวงพ่อคำถามแรกค่ะคำถามที่สิทธิจำเป็นต้องถามเพราะทําทให้สิทธิเครียดมาตลอดสามเดือนเลยคือเดี๋ยวสิทธิพยายามที่จะใช้คำถามดีๆค่ะเรื่องเทวปุฏมาค่ะทน้ะในกรณีที่เทวปุตมานเนี่ย จะทำอันตรายให้ใครสักคนหนึ่งสมมติว่าด้วยการใช้อาหารปนเปืเป่อนแล้วผู้อื่นเอาเอาไปทานจะเป็นอันตรายนี่คะผู้อื่นถึงว่านายเอโดนเทวปุตตมานจะจัดการไม่เป็นหรอกถ้ามันไม่ใช่ยาพิษนะไม่เป็นหรอกถ้ามันไม่ใช่ยาพิษไม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไม่มีกรรมก็ไม่เป็นหรอก อตัวที่ชี้ขาดนี่ยคือกรรมนะคือกรรมกรรมของเราเองแหละถ้าเราไม่มีกรรมนะใครมันก็ทําอะไรไม่ได้อ๋อเพราะนั้นถ้าวิธีการที่ไม่ใช่วางยาพิษไม่เป็นอะไร อ, อค่ะนี่ค่อยยิงชั่วคือสิทธิ์สังเกตมาตั้งแต่หลวงพ่อสอนให้อ๋อ ใช้คาถาสมเด็จโตและเมตตาคุณังอารัางเมตตาไม่ใช่ไม่คาถานะให้บริกรรมใช้ใบริกรรม<ช><ช>รค่ะอ๋อค่ะทคาถาต้องท่องแล้วก็ถูกหวยถูก น, อ น, กนอนถูกนี่นี่บริกรรม<笑><笑>แค่แค่สมาธิสิ่งนึกว่าคําว่าคาถาหมายถึงบบกรอนโครงกรอนไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะเอาเอาเมีตาคุณังอรหางเมตตาเนี่ยสิสังเกตได้ว่าถ้าจิตเข้าบริกรรมเอง เวลาเขาบริกรรมเองแล้วท่านเข้าบริกรรมเองคําว่าอารหังเนี่ยเขาจะทราบซึ้งไปถึง<ม>อารหังสัมมาสัมพุทโธถูกหลวงพ่อเเคยสอนเนี่ยว่าอารหังเมตตาอารหังตัวนี้คือพระพุทธเจ้านะ<ม>ถ้าบริกรรมเป็นนะเวลาที่เราพาวนาวเราจะรู้เลยเราบริกรรมถึงเมตตาคุณของความเมตตาและค ว, วามเมตตาของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ไว้ ใ, ใจมันสื่อถึงพระพุทธเจ้านะแล้วเราจะได้พลังได้พลังอะไรได้พลังของความเมตตาได้พลังของพุทธานุสตินะแล้วได้สมาธิขึ้นมาครับแล้วจิตเห็นว่าบริกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยอคือคือประสบการณ์ของเปียาเนี่ยจิตเขาจะบริกรรมเองเมื่อเมื่อถูกเทวาปุตมานแกล้งแล้วก็จิตเขาพอไปเห็นความกลัวจิตเขาก็จะ บริกรรมขึ้นมาเองอแล้วเมื่อเขาบริกรรมอย่างนี้คําบริกรรมนิสสักศิทธิ์มากเมื่อเช้าก็โดน ม, มันเข้าไม่ได้แล้วถ้ามันออกไปมั น, ห น, ห, นมหนีหนีหนีหนีออกไปเลยค่ะพระเจ้าสอนไว้แล้วนะการเจริญเมตตาเนี่ยไม่ตายด้วยศัตร์อาวุธไม่ตายด้วยยาพิษใช่ไห ม, มสัตว์ไม่ทําร้ายหน้าตาโปรงใสถ้าจะตายก็าตายแบบมีสติ ถ้าจะทำสมาธิก็ทำง่ายคุณของเมตตาดังนนถ้าเราบริกรรมเป็นนะนนใจของเราเชื่อมต่อถึงคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตาเนี่ยโอเราจะได้ความได้อานิสงส์ <นะ S 2> อาจารย์จะใช้คำว่าคาถาเนี่ยใช้ตามบาลีแต่คนไทยเอาคำว่าคาถามาใช้ในทางที่เสียเป็นหมดแล้วอ๋อสิหมายถึงคำกรนคำนโคลงค่ะค่ะ อสภาวะนะคะที่ที่สิทตเห็นบ่อยๆคือสภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่กลางอกสงบนิ่งอยู่กลางอกเลยนะคะแล้วก็มันมีมันอยู่ความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านอัดแน่นเต็ม ไ, ไปหมดล้อมรอบอันนี้คือสภาวะของการกดจิตหรือเปล่าจิตสิ้นไม่ได้เห็นว่ามันกดนะมันก็สบายดีรู้สึกมันพักอ่ะรู้สึกขนาดนี้กดไหมขนาดนี้กดหน่อยๆะคะ่ะเออขนาดนี้กด ในความเป็นจริงแล้วนะจิตของอาจารย์นะฟูเก่งมากใช่ค่ะมันสะสมมายเยอะนะและจิตมันเป็นตัวรู้สงบเด่นตัวงเลยเนี่ยความฟูงสร้างที่มันสะสมมาเนี่ยมันห้อมลอมอยู่เต็มไปหมดมันแน่นเลยค่ะตรงพ้อถึงไม่ตามใจนะ <laughs> ถ้าตามใจไปเรื่อยจะยิ่งฟูงไปเรื่อยจิตสาวค่สิ่งว่าสิทธ์จิตแข็งแกร่งขึ้นเยอ ะ, ะใช่มันจะยกขึ้นต้นไม้ได้นะ ไม่งั้นมันก็เราต้องคอยโอหไปด้วยนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กเราเรียกให้ขึ้นต้นไม้ไม่ยอมบินทุตีเอาเอาเอาตรงนี้เพราะว่าจะเฉียดตายทุกวินญาณ ท, ทุกขณะเจรรอบด้านเนี่ยสิขอถามคาว่าการทำกาละ ที่จะมีโอกาสได้ชีวิตะสมณะสีเนี่ยขณะที่ทําการละนี่ยจิตจะต้องตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วดูกายมันตายใช่ไหมคะคือจิตมันตั้งมั่นอยู่นะแล้วก็เห็นกายมันเจ็บไปเรื่อยๆจิตไม่หวัน่นไหวการที่จะตายเนี่ยมันจะตัดแกรแสไม่รับรู้กายแนละ้วจะข้ามมาที่จิตนะแล้วมันจะปล่อยวางได้หรือเปล่าไม่ใช่ปล่อยวางกายนะมันคือการปล่อยวางจิตคือ <c oughs> ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่แล้วก็คือมันแยกอยู่แล้วค่ะอย่างนัไปโธมาโลกอย่างนั้นไปอังเถรุมุโล ก, อ, โลกอ๋อคือหลวงพ่อพระสิทธิ์เคยเห็นจิตวางจิตหลงปับป๊บๆเนี่ยหลายครั้งใช่ไหมล่ะปกติอย่างนั้นไอ้มัน ป, ปกติมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นไหมคะมันวางนะแต่อันนั้นมันวางแบบมันวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบน ะ, ะเพราะว่ามันยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมันยังหยิบอีก ตัวที่มันรู้แจ้งแทงตลอดริยะสัตร์นะอาการวางมันไม่เหมือนกันไอ้นี่วางอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเขาไป ห, หยิบเองนั่นสลัดสลายตัวไปเลยมันไม่มีให้หยิบอีกหรอกเวลาที่สทเสร็จสวดมนต์น ะ, ะเวลาที่เสร็จสวดมนต์เนี่ยมันจะมีเสียง คือเสียงของคําส่วนบนที่เป็นภาษาที่รู้เรื่องเนี่ย<ม>แล้วสืดหาหาที่มาของมันไม่เจอไปดูที่ปากปากมันก็แค่อ้าหก<ม>ที่กล่องเสียงมันแค่เป็นแรงสั่น<ม><ม>สะเทือน<ม>ที่หูมันมีแค่เสียงสูงสูงต่ำต่ำไม่เป็นภาษามา ม, ม, มาที่สมองที่ขมับมันเห็นแต่ความคิดไม่มีเสียงเดี๋ยวไมาที่จิตมันก็ <laughs> มันมันคือตัวสัญญา สัญญาณเข้าไปหมายต่มันหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไห น, นอย่าไปหาให้รู้โลกปัจจุบันไ ป, นไปเรื่อ<ล>ยหามากไปฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านในธรรมะนะเวลาเวลาเวล า, เวลาสิทธ์เซ็งๆแล้วสิทธ์ก็จะดูสนุกดีไม่ได้ไม่ดีใช่ไหมคะไม่ดีอ๋อค่ะค่ะจบแล้ว ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวามีวาอิโตทินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังชิปปเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปา ฉันทถปันระโสยถามณีชโชติระโยสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสภาร โ, โควินัสตุมาเตควัตวันตรยโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิ ส, สนิตจังวุทธาปจายโนจตตาโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพะลังสาธุ จเจริญในธรรมนะมีความสุขกัน